และแล้วก็ถึงวันที่พลอยนั่งเรือ ก, กลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมด้วยคุณเชยและก็นางพิพพลอยจากบ้านมานานจากมานานเสียหลายปีกลับไปบ้านครั้งนี้ใจหนึ่งนั้นก็ดีใจและตื่นเต้นใจหนึ่งนั้นก็ดีใจที่จะได้อยู่ใกล้ชิดเจ้าคุณพ่อเป็นครั้งแรกในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่มิใช่เด็กอย่างแต่ก่อนดีใจ ที่จะได้กลับไปอยู่ในหมู่ญาติพี่น้องอันสนิทในบ้านที่เคยอยู่กันมาแต่บรรพบุรุษแต่อีกใจหนึ่งของพลอยก็ดูสิวิตกกังวลสะทกสะท้านเพราะว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่คอยตั้งข้อรังเกียจอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่เจ้าของบ้านโดยแท้แต่ก็อยู่ในฐานะแม่บ้านมีอำนาจ สังกิจการงานบ้านทั่วไปคนคนนี้อาจจะก่อเหตุทำให้เป็นเรื่องราวที่ทำให้พลอยไม่สบายใจขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แน่นอนนะคะคนคนนั้นก็คือคุณอุ่นนอกจากนั้นพลอยก็ยังมีความเป็นห่วงเสด็จคิดถึงคุณสายคิดถึงช้อยซึ่งกินนอนอยู่ห้องเดียวกันมาตลอดเวลาห้าหปีส่วนอีกใจหนึ่งก็มีความเป็นห่วงคิดถึงพี่เนื่อง ถ้าหากพี่เนื่องส่งข่าวหรือว่าส่งของมาให้ในระหว่างที่พลอยไม่อยู่ใครจะเป็นผู้รับความจริงพลอยได้ทูลเสด็จไว้ว่าจะไปอยู่บ้านเราๆสิบวันแต่เวลาสิบวันก็เป็นเวลานานโข อ, อยู่สำหรับพลอยในตอนนี้ถ้าหากว่ามีข่าวหรือมีของจากพี่เนื่องมารออยู่คือได้เกิดว่าเป็นเวลาปกติ พลอยก็คงจะมาอยู่ที่นี่โดยไม่มีห่วงอะไรนอกเหนือไปจากห่วงเสด็จแต่ตอนนี้นอกจากเสด็จก็ยังมีห่วงเรื่องของพี่เนื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งก็ท่าทางว่าจะเป็นห่วงใหญ่อยู่ไม่น้อยคนมีความรักไม่อิสระนะคะจะไปไหนมาไหนก็คิดถึงแต่คนที่ตัวเองรักคุณเชย พาเรือเก่งสีแจวของที่บ้านมารับพลอยแจวเรียบตลิงเข้าคลองบางหลวงเช้าวันนั้นน้ำขึ้นเต็มคลองเรือที่พายเร่ขายของต่างๆเช่นผลไม้าจากสวนผักสดพริกมะเขือนาน า, นานชนิดจนกระทั่งเรือขนมจีนเรือขายข้าวเม่าข้าวเมาทอดนะคะก็พายผ่านไป ทำให้พลอยหวนนึกถึงบรรยากาศเดิมเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ที่บ้านกับแม่แล้วก็เคยตามแม่มาซื้อของเรือที่ตีนท่าพลอยนึกถึงแม่ก็ใจหายเพราะว่าแม่ตายไปนานแล้วเต็มทีจนบัดนี้จะนึกถึงหน้าแม่ก็พอจะเห็นรางๆมีได้แจ่มชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนอยังคงเหลือที่เต็มบริบูรณ์เหมือนเก่า ก็แต่ความรักที่พลอยมีต่อแม่และความรักของแม่ที่มีต่อพลอยไม่ว่าแม่จะตายแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ตามพลอยก็ยังรู้สึกว่าความรักของแม่นั้นติดตามตนอยู่ใกล้ๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยจะได้กลับไปอยู่บ้านแต่เพียงคนเดียวโดยไม่มีแม่อยู่ด้วยเหมือนเมื่อก่อน เมื่อเรือจอดเข้าที่หน้าท่าพรอยก้าวขึ้นบันไดท่าน้ำด้วยใจเต้นผิดปกติไม่มีใครมาคอยรับพี่น้องซึ่งเมื่อก่อนเป็นเด็กเคยเล่นที่นี่ตอนนี้ก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปหมดแล้วตัวศาลาท่าน้ำก็ดูเก่าแก่สุดโรมไปด้วยอายุพรอยหยุดยืนนิ่งมองเข้าไปในบริเวณบ้านครู่หนึ่งขณะที่นางพิษ และบ่าวของคุณเชยกำลังช่วยกันขนของขึ้นจากเรือพลอยจากบ้านไปห้าหปีกลับมาอีกทีก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่น้อยจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักพรอยต่างหากที่เปลี่ยนไปพลอยเคยมองที่นี่ ในฐานะของเด็กน้อยแต่ตอนนี้พลอยกำลังมองบ้านตัวเองในฐานะของผู้ใหญ่ในฐานะของสาวคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เห็นก็คงไม่เหมือนเดิมในระยะเวลานั้นรั้วเหล็กริมคลองที่เคยเห็นว่าทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งตรงานอยู่นั้นบัด น, นี้แลดูซ่อมซ่อแล้วก็บอบบางบางตอนก็สนิมจับ ทางเดินจากท่าน้ำไปที่ตึกซึ่งเมื่อก่อนเคยเห็นว่ากว้างยาวเป็นนักหนาวิ่งเสียจนหอบก็ยังไม่สุดทางบัดนี้ในสายตาของพลอยมันแลดูแคบแล้วก็สั้นลงมากเดินประเดียวเดียวก็ถึงตัวตึกตึกเจ้าคุณพ่อซึ่งเคยเห็นว่าใหญ่โตแล้วก็กว้างขวางนะักเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะลดตัวลงไปเหลือนเล็กนิดเดียวเช่นกันถ้าจะเปรียบกับตําหนักเจ้านาย หรือตําหนักคุณจอมมารดาบางคนก็ผิดกันไกลพรอยรู้สึกใจหายเมื่อแลเห็นขนาดและสภาพบ้านของตนที่แตกต่างไปจากที่เคยนึกเคยคิดไว้แต่เมื่อยังเด็กๆพรอยยืนดูรอบๆตัวอยากไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่สายตาตอนที่เราเป็นเด็กกับสายตา ตอนที่เราโตแล้วไม่เหมือนกันจริงๆนะคะเคยไหมคะเวลาที่เราผ่านไปบางสถานที่สถานที่ที่เราเคยอยู่ตอนเด็กๆพอกลับไปอีกทีเราจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงของขนาดตอนเด็กๆเราจะรู้สึกว่าสถานที่ต่างๆมันช่างใหญ่โตโมโหลานนะคะช่างกว้างใหญ่แต่พอโตกลับไปอีกทีเราจะรู้สึกว่า ที่ที่เราเคยรู้สึกว่าใหญ่โตกว้างขวางนั้นมันช่างแคบแล้วก็ช่างเล็กนิดเดียวแตกต่างกันเสียเหลือเกินกับความรู้สึกตอนเด็กๆก็คงเหมือนกับพลอยนี่ล่ละค่ะขึ้นไปบนตึกเถิดแม่พลอยพรอยสะดุ้งตื่นจากเสียงของคุณเชย แล้วก็สาวเท้าเดินตรงไปยังบันไดกลางของตึกในขณะที่คุณเชยสั่งให้นางพิษนำหีบของเอาไปไว้ในห้องคุณเชยซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของตึกมีประตูเปิดออกทางเฉลียงหลังที่เจ้าคุณพ่อยังคงใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนอยู่เช่นเคย ระหว่างที่เดินผ่านห้องกลางคุณเฉยก็กระซิบบอกพลอยเบาๆว่าหมู่นี้ท่านไม่ค่อยสบายจะหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้พอถึงเฉลียงหลังพลอยก็แลเห็นเจ้าคุณพ่อนอนเหยียดขาตรงออกไปข้างหน้าหลังพิงหมอนขวานมือหนึ่งถือบุรี่ตัวโตพาดไว้ที่ปากกระโถนที่วางอยู่ข้างๆ เมื่อพลอยและคุณเชยเข้าไปนั่งที่เฉลียงเจ้าคุณพ่อก็เหลียวดูพลอยก็ก้มลงกราบ คุณพ่อถามแต่พอพลอยเงยหน้าขึ้นมาเจ้าคุณพ่อก็เบิกตากว้างพร้อมอุทานว่าแม่แชม่มเอ๊ะใครพลอยหรือนี่พรอยเจ้าค่ะพลอยยิ้มรู้ทันทีว่าตัวเองคงจะเหมือนแม่เมื่อ ย, ยังสาวๆอย่างมาก เจ้าคุณพ่อถึงก็เผลอตัวเรียกชื่อแม่ออกมาดังๆนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าคุณพ่อได้เห็นพลอยซึ่งโตเป็นสาวแล้วนะคะในขณะที่พลอยสังเกตดูเจ้าคุณพ่อก็เห็นว่าเจ้าคุณพ่อนั้นแก่ลงไปถนัดใจจริงๆผมบนศรีรษะแถวขมับหงอกเป็นสีเทาอย่างเห็นได้ชัดเจ้าคุณพ่อซึ่งไม่เคยเป็นคนอ้วน แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแบบบางลงไปกว่าเก่าได้ซ้ำในขณะที่ผิวพันธุ์ก็ดูซูบซีดลงแสดงให้เห็นว่าเจ้าคุณพ่อของพลอยคงจะสุขภาพไม่สู้ดีนักแต่เจ้าคุณพ่อก็ดูกระปรี้กระเปร่าทันทีนะคะรีบลุกนั่งเมื่อรู้ว่าพลอย มาแล้วพลอยขยับเข้ามาอีกหน่อยมานั่งตรงนี้ใกล้แสงสวา่างไม่ได้พบกันนานขอให้พ่อดูให้ถนัดพรอยก็กระเถิบตัวเข้าไปนั่งใกล้ๆตามคำสั่งจ้าคุณพ่อด้วยความเต็มใจลูกสาวของพ่อช่างสวยเสียจริงๆนี่พ่อ น, นึกว่าจะมาถึงกันตอนบ่ายแม่เฉยเขาไม่ได้บอก ว่าจะรีบมากันแต่เช้าพรอยสบายดีหรือเสด็จทรงสบายดีหรืออย่างไรพรอยก็ตอบรับคำปราศัยเจ้าคุณพ่อไปตามธรรมเนียมนะคะเห็นลูกๆโตไปตามๆกันทำให้พ่อรู้สึกตัวว่าแก่ลงไปถนัดใจเวลานี้พ่อก็ไม่เห็นใครเห็นแต่ลูกๆ ก, ก็อยากจะเก็บไว้ใกล้ๆตัวพรอยมาคราวนี้ อย่าเพิ่งกลับให้เร็วนะอยู่เป็นเพื่อนพ่อให้นานๆหน่อยแม่เฉยก็คอยดูน้องด้วยอย่าให้ขาดเหลืออะไรได้เห็นพูดว่าจะให้พรอยอยู่ห้องเดียวกับแม่เฉยไม่ใช่หรือดีแล้วล่ะอยู่กันสองคนติดกับห้องของพ่อนั่นเองพรอยมีบ่าวตามมาหรือเปล่า พลอยก็บอกว่ามีนางพิษติดตามมาด้วยเจ้าคุณพ่อก็สงสัยว่าเอ๊ะนางพิษที่เป็นบ่าของแม่ของพลอยนั้นยังไม่ตายอีกหรืออยางไรเพราะรู้สึกว่านางพิษนี่ก็คงจะอายุมากแล้วเช่นกันนะคะถ้านางพิษมันมาด้วยก็ดีแล้วเพราะมันเป็นคนเก่าของที่นี่ถ้าไม่มีพอจะได้หาบ่าวให้ใช้ เดี๋ยวนี้ผู้คนหาใช้ยากเสียแล้วพลอยเอ้ยไม่เหมือนครั้งเจ้าคุณปู่ของเจ้าท่านเลี้ยงคนเป็นร้อยๆตั้งเตาหุงข้าวกระทะเลี้ยงกันเป็นแถวไปทีเดียวไหนจะพวกทนายของคุณปู่ไหนจะฝีพายไหนจะเลขสมเมื่อพอยังเด็กๆคนในบ้านเจ้าคุณปู่เกือบจะไม่รู้จักกันทั่วแล้วก็ยังละครผู้หญิงของท่านอีกโรงก็ยังเลี้ยงกันได้มาตลอด พอท่านสิ้นบุญก็กระจัดกระจายคุมกันไม่ติดลำพังพ่อคนเดียวก็เลี้ยงไม่หมดเดี๋ยวนี้เหลือแต่คนที่ไปไม่รอดอยู่กันไปวันวันหนึง่งฟังดูเหมือนกับเหลือกันอยู่ไม่เท่าไรแต่คุณเชยบอกว่าทุกวันนี้คนในบ้านเนี่ยมีประมาณห้าสิบกว่าคนนะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพ สังคมในยุคนั้นนะคะคนที่เป็นพระน้ำพระยาก็มีบา่าวไพร่มากมายห้าสิบคนนี่บอกว่าน้อยนะเ อ, อ่อสมัยก่อนนี่หุงข้าวกันทีหนึ่งก็เรียกว่าเป็นกระทะใบโตทีเดียวก็เป็นวิถีเป็นวิถีไทยในยุคก่อนที่มีฆ่าทาดบริวารมีบา่าวไพร่เอาไว้รับใช้ขนาดนี้ก็เต็มบ้านไปแล้วล่ะคะ่ะ ดิฉันลองนับดูคนที่อยู่ในบ้านเดี๋ยวนี้ได้ต้องห้าสิบกว่าคนแต่ไม่รู้เข้าไปอยู่ที่ไหนกันหมดวันหนึ่งๆก็ไม่ค่อยมีใครมาอยู่อย่างนี้แม่พรอยจะเหงาหรือก็ไม่รู้เพราะอยู่แต่ในวังเคยเห็นแต่คนมากๆไม่เหงาหรอกคุณเชยในวังบางทีก็มีเงียบเหมือนกันเออเข้าว่าเมื่องานรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในวัง สนุกกันใหญ่ไม่ใช่หรือสนุกมากค่ะแต่มีงานมากเสียเหลือเกินจนจดจำไม่ถูกถ้าฉันไม่ได้แม่พลอยฉันก็คงไม่รู้จะเที่ยวกับใครเหมือนกันคุณเชยคุยขึ้นมาบ้างทั้งสามคนพ่อลูกนะคะก็คุยการด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ อ, อีกเป็นเวลานา น, านจากนั้นเจ้าคุณพ่อก็บอกให้คุณเชยพาพลอยกลับไปที่ห้อง เพื่อรูปเนื้อลูกตัวหลังจากที่ได้เดินทางมาจากในวังการรูปเนื้อรูปตัวคุณได้ฟังคุณไหมคะตอนที่แม่ของพลอยไปฉะเชิงเซาแล้วก็กลับมาเยี่ยมพลอยแม่ของพลอยก็บอกว่ายังไม่ได้รูปเนื้อรูปตัว ตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ยินคํานี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ได้ยินอีกครั้งหนึ่งการลูบเนื้อลูบตัวเนี่ยจากหนังสือสี่แผ่นดินเรื่องจริงในราชสำนักสยามของคุณสันสนีวีระสินชัยก็อธิบายบอกว่าเป็นการทําความสะอาดร่างกายของคนโบราณอย่างย่นย่ อ, อ ก, กว่าการอาบน้ําอืมก็เหมือนกับเป็นฉบับย่อนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นเมืองร้อน ถึงแม้ว่าคนโบราณโดยเฉพาะผู้หญิงจะแต่งตัวถูกกับสภาพอากาศแล้วก็ตามก็คื อ, อนุ่งจงกระเบนมีกผ้าคาดอกนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะก็ยังไม่ไวายที่จะรู้สึกร้อนเป็นบางคราวแต่ทีนี้ไอาการจะอาบน้ำก็ยุ่งยากแล้วก็ไม่สะดวกเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้มีห้องน้ำมิดชิดเหมือนอย่างในปัจจุบันอาบน้ำ ก, นกลางแจ้งนะคะ วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ใคลายร้อนแล้วก็หายเนอะห น, หนะจากเหงือใครที่นิยมทํากันก็คือการลูบเนื้อลูบตัวซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านก็จะใช้มือวักน้ําอาจจะวักน้ําจากขันแล้วก็ลูบไล้ไปตามใบหน้าหรือว่าตามเนื้อตัวโดยที่อยู่ในใ น, ในชุดเดิมนะคะโดยไม่ต้องเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็ใช้แป้งเม็ดหรือว่าดินสะพองเนี่ยประตามหน้าตาแล้วก็เนื้อตัวทําให้ใคลายความร้อนแล้วก็ความเนหนียวเนืหนะไปได้แต่ว่าสําหรับ วังนะคะก็จะมีวิธีที่พิถีพิถันกว่านั้นเช่นน้ำที่ใช้ในการลูบเนื้อลูบตัวเนี่ยอาจเป็นน้ำลอยดอกไม้สดจนหอมภ า, าชนะก็อาจจะเป็นขันเงินวิธีการลูบเนื้อลูบตัวก็อาจจะใช้ผ้าผืนเล็กชุบน้ำบิดพอมาศแล้วก็เช็ดถูตามเนื้อตัวที่อยู่นอกร่มผ้าเสร็จแล้วก็ฉลมด้วยน้าปรุงหรือว่าน้าอบไทยทาทับด้วยแป้งหอม ก็เป็นการคลายความร้อนนะคะทําให้เนื้อตัวเย็นสบายขึ้นแต่ก็จะเห็นได้ว่าจะมีความพิถีพิถันประณีตและก็ซับซ้อนกว่าการลูปเนื้อรูปตัวแบบตํำรับชาวบ้านนะคะทีนี้ระหว่างที่เดินผ่านห้องกลางจะกลับไปยังห้องคุณเชยทางด้านหน้าของตึกพลอยก็หยุดเดินเอามือจับข้อมือคุณเชยแล้วก็ถามว่าคุณเชย นี่ฉันจะเข้าไปไหว้คุณอุ่นเธอเสียก่อนจะไม่ดีเหรอไม่ต้องกระมังแม่พลอยก็เธอเป็นคนพูดเองว่าถ้าแม่พลอยมาอยู่บ้านก็ให้แยกกันอยู่ไม่ต้องพบปะอืมไม่ดีหรอกคุณเชยถึงอย่างไรเธอก็เป็นพี่ ฉันจะไปต้องลามาก็ต้องไหวไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยเถิดฉันไม่กล้าไปคนเดียวอ้าก็ตามใจแม่พลอยทางฉันก็กลัวแต่จะมีเรื่องแต่ไปเสียหน่อยก็ดีเหมือนกันแหละแล้วทั้งสองคนก็เดินไปยังห้องของคุณอุ่นอีกด้านหนึ่งของตึกนะคะเมื่อเข้าไปในห้องพลอยก็รู้สึกแปลกใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนั้นเหมือนเดิมคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่พลอยจาได้เลย ผิดจากสิ่งอื่นๆแล้วก็จากส่วนอื่นๆของบ้านที่เปลี่ยนไปมากนะคะแต่ว่าห้องนี้อาณาจักรของคุณอุ่นเนี่ยเหมือนเดิมตัวคุณอุ่นเองก็ดูเหมือนจะยังคงนั่งอยู่ที่เดิมที่พลอยเคยเห็นแม้แต่รูปร่างหน้าตาก็ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนไปคุณอุ่นกําลังนั่งสีปากด้วยด้วยขี้พึ่งนะคะตามภาษาคนกินหมากสมัยก่อนเนาะพอเห็นพลอยเข้าไปก็หยุดชะงัก มองดูพลอยนิ่งอยู่ประเดียวหนึ่งแล้วก็หันขวับไปทางคุณเชยตาเขียวขึ้นมาทันทีฟังฉันก่อนคุณพี่แม่พลอยเขาจะมาเองเขาว่ามาถึงบ้านแล้วก็ต้องมาไหว้คุณพี่ไม่มาไม่ได้คุณเฉยก็รีบพูดขึ้นก่อนนะคะก่อนที่คุณอุ่นเนี่ยจะเอ่ยปากว่าอะไรสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเหวี่ยงวีนหรือวีนเวียงอะไรทํานองนั้นละ่ะ คุณอุ่นก็เป็นคนที่ที่วีนไม่มีอะไรก็วีนก็เหวี่ยงได้ตลอดเวลาคนะคุณอุ่นเหลียวมามองพลอยอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พลอยเนี่ย ก, ก้มตัวลวงไหวอย่างนอบน้อมปรากฏว่าเงียบไม่มีเสียงทักทายว่าอะไรเลยคุณสบายดีหรือคะ พลอยถามเบาๆสังเกตว่าเรียกคุณเฉยๆเพราะว่าพลอยรู้ดีว่าถ้าคืนไปเรียกคุณอุ่นว่าคุณพี่เป็นต้องเกิดเรื่องทันทีเพราะว่าจะเป็นหนทางให้คุณอุ่นถากถางว่าฉันไม่ใช่พี่ใช้น้องของเธอเพราะฉะนั้นจะพูดจะจาอะไรกับคุณอุ่นเนี่ยต้องระมัดระวังทุกถ้อยคำเลยทีเดียวคราวนี้คุณอุ่นไม่ได้ตอบว่าอะไรนะคะแต่เมินหน้าจากพลอยไปอีกทางหนึ่ง แล้วก็ลงมือสีปากต่อไปเมื่อสีปากเสร็จแล้วก็เริ่มหยิบหมากเข้าปากแล้วก็หยิบยาฝอยมาสีฟันอย่างประนีตบรรจงพรอยเหลียวไปขยิบตาเรียกคุณเฉยแล้วก็พากันคลานถอยออกมาจากห้องพอถึงห้องกลางคุณเฉยก็ถอนใจอย่างโล่งอกเอ้อสิ้นเรื่องกันไปทีทั้นใจหายใจคว่ำหรือว่าจะเกิดเรื่องเสียอีกแล้วนะพรอย ถ้าเราไม่เกิดเรื่องกับเธอเธอจะไปทำอะไรได้คุณเชยฉันไม่เหมือนแม่พลอยนี่นิ่งได้นิ่งเอาแต่แม่พลอยไม่ต้องอยู่กับเธอทุกวันนานๆพบกันทีก็ทนไหวฉันเองก็อดให้เธอมานานแล้วแต่เดี๋ยวนี้ฉันเหลืออดเหมือนกันเป็นบางเวลาฉันขออะไรคุณเชยอย่างหนึ่งได้ไหมพลอยถามได้สิแม่พลอย แม่พลอยจำห่อจันอับที่ชลับคุณอุ่นไปให้ได้ไหมวันที่แม่พลอยลงเรือไปวันนั้นแต่วันนี้แม่พลอยจะขออะไรล่ะพลอยหัวเราะเมื่อคุณเชยเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อนมนานแล้วมาพูดนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้คุณเชยอย่ามีเรื่องกับคุณอุ่นระหว่างฉันอยู่ที่นี่แหมแม่พลอยก็พูดบราวกับฉันเนี่ยเป็นคนชอบมีเรื่องอย่างนั้นแหละ แต่เอาเถอะเมื่อแม่พลอยขอทั้งทีฉันก็จะระวังตัวให้จากนั้นคุณเฉยก็พาพลอยไปเก็บตัวไว้ในห้องเสียนานให้ลูบตัวน้ำอบประแป้งใหม่แล้วก็ชวนนั่งพักผ่อนให้หายเหนื่อยทำให้พลอยรู้สึกสบายใจจนบอกไม่ถูกเพราะได้กลับมาบ้านมีพี่น้องคอยเอาใจความรักที่มีสำหรับคุณเชยมาแต่เด็กนั้น รู้สึกว่าบังเกิดเพิ่มเติมขึ้นอีกในวันนี้อย่างมากเมื่อพักผ่อนจนหายเหนื่อยคุณเชยก็ชวนไปนั่งกับเจ้าคุณพ่อเวลาท่านรับประทานอาหารกลางวันเจ้าคุณพ่อรับประทานอาหารเช้าทุกมือ้อที่ระเบียงหลังสึกนั่นเอง เมื่อพลอยกับคุณเฉยไปถึงเจ้าคุณพ่อกำลังจะเริ่มลงมือมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนั่งพัดอยู่คนหนึ่งคุณเฉยตรงไปนั่งข้างๆคอยปฏิบัติส่วนพลอยนั่งลงอีกทางหนึ่งแล้วก็กวักมือเรียกเด็กให้เอาพัดมาส่งให้ตนแล้วก็ลงมือพัดเจ้าคุณพ่ออย่างที่เจ้าคุณพ่อเคยบอกว่าชอบเมื่อสมัย ตอนที่เจ้าคุณพ่อไปงานโกนจุก ข, ของพลอยแล้วพลอยพัดให้เจ้าคุณพ่อในขณะเจ้าคุณพ่อรับประทานอาหารเจ้าคุณพ่อมองดูคุณเชยแล้วก็เหลียวมามองดูพลอยแล้วก็อมยิ้มอย่างสบายใจ ก่อนจะพูดขึ้นว่าวันนี้พ่อมีบุญเหลือเกินพร้อมลูกพร้อมเต้าคนเรามีลูกไว้ปรนิบัติเมื่อแก่นี้เป็นบุญไม่มีอะไรเท่า คุณพ่อรับประทานข้าไปก็คุยไปส่วนมากก็เกี่ยวกับความรู้สึกในเรื่องลูกพ่อเหมือนคนมีกรรมมีลูกชายสองคนจะเอาดีกับเขาก็เห็นจะไม่ได้เจ้าชิดก็ไม่รู้จักโตนิสัยเกตเมเรกเสภเลสอนก็สอนแล้วจนถึงเคี่ยนตีก็แล้วก็ยังไม่เห็นจะดีขึ้น อย่างไรก็อย่างนั้นเจ้าเพิ่มก็อีกคนวันซืนนายเขาก็มาฟ้องว่าไม่ได้ไปราชการไปบ้างไม่ได้ไปบ้างไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรวันหนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้พบปะกันมันถือว่าโตโตกันแล้วไม่ต้องพบพ่อแม่ก็ได้ยังเห็นที่จะพึ่งได้ก็มีแม่เชยกับแม่พลอยสองคนเท่านี้แต่อีกหน่อย ก็คงจะมีเย่ามีเรือนกันไปหมดพรอยอยู่ในวังมีผู้ชายมาติดบ้างหรือเปล่าแหมเจ้าคุณพ่อก็ถามขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีครุยนะคะพรอยก็สะดุง้งอายจนหน้าแดงจะตอบยังไงก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้เตรียมคำตอบเอาไว้ก็เลยรีบตอบแบบปฏิเสธโดยอัตโนมัติไปว่าเปล่าเจ้าคุณพ่อก็บอกอืม ดีละเป็นชาวรั้วชาววังใครๆเขาก็ต้องมองอย่าไปนึกว่าอยู่ในวังผู้ชายเขาจะเข้าไปไม่ได้เขาจะไม่รู้จักพ่อเองก็ได้เมียมาจากในวังทั้งนั้นเมื่อนหนุ่มๆยังเป็นมหาดเล็กจะมีทุระเข้าไปข้างในก็หนุ่งได้แต่ผ้าพื้นผมจะวีให้เรียบร้อยก็ไม่ได้ต้องขยี้ซะก่อนอย่างนั้น ก็ยังได้เมียเป็นชาววังอยู่นั่นเองแม่ของพลอยละยิ่งตัวดีตอนนั้นยังสาวๆ ส, สวยพริง้งคนลือชื่อทีเดียวพ่อไปดักดูเขาที่ประตูดินเห็นทีไรเขาเป็นค้อนเสียหลายวงแต่ตอนท้ายก็ไปไหนไม่พน้นไม่นึกเลยว่าอายุจะสั้นเจ้าคุณพ่อพูดถึงแม่ อย่างคนที่เคยรู้จักใกล้ชิดคนหนึ่งไม่มีอริบาดหมางคงเหลืออยู่เลยโดยเฉพาะเรื่องที่แม่ไปมีไปมีสามีใหม่นะคะเจ้าคุณพ่อก็ไม่ได้เอ่ยปากทำให้พลอยนึกถึงเรื่องเก่าๆที่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าความจริงนั้นเจ้าคุณพ่อติดแม่อยู่ก่อนคือมาชอบกับแม่ของพลอยก่อนแต่ทางบ้านทางผู้หลักผู้ใหญ่บังคับให้เจ้าคุณพ่อ ออกมาแต่งงานกับคุณหญิงเอื้อมซึ่งเป็นผู้หญิงที่ทางผู้ใหญ่ของเจ้าคุณพ่อเนี่ยขอเอาไว้ซึ่งท่านก็ยอมเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจผู้ใหญ่ทั้งที่ท่านบอกกับแม่ของพลอยเอาไว้ว่าไม่เคยรักคุณหญิงเอื้อมเลยแม่ของพลอยเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นรู้สึกโทมนัสน้อยใจเป็นหนักหนาตั้งใจว่าจะไม่มีลูกผัวไปจนตาย จนกระทั่งเจ้าคุณพ่อแต่งงานไปได้สี่ห้าปีจนคุณอุ่นกับคุณชิดเกิดแล้วท่านก็กลับเข้าไปตามขอรับเอาแม่มาอยู่ด้วยถึงจะไม่เลี้ยงเป็นเมียหลวงแต่ก็เลี้ยงไม่ให้น้อยหน้าใครแม่ก็เลยตามท่านมาเพราะว่าเห็นใจแต่คุณหญิงเอื้อมก็เป็นคนขี้หึงหนักเข้าก็ออกจากบ้านไปอยู่อัมพวาที่เป็นบ้านเดิมทิ้งลูกๆของท่านเอาไว้ทางนี้นี่แหลคะค่ะคุณอุ่น ก็เลยพยาบามตรชิงชังตั้งแต่แม่จนกระทั่งถึงพลอยเพราะคุณอุ่นเห็นว่าแม่ของพลอยเป็นคนทําให้คุณแม่ของเธอต้องออกจากบ้านและในที่สุดเธอก็ทําให้แม่ต้องออกจากบ้านไปอีกคนโดวยวิธีต่างๆเป็นต้นว่าหาเมียน้อยซึ่งเป็นคนของเธอให้กับเจ้าคุณพ่อพลอยนั่งคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็นึกถึงชีวิตของตน เรื่องระหว่างพี่เนื่องกับพลอยจะเป็นอย่างไรแต่พี่เนื่องก็เห็นจะไม่เหมือนเจ้าหุณพ่อเพราะว่าทางผู้ใหญ่ของพี่เนื่องก็รักพลอยอยู่ทุกคนพลอยไม่เคยได้ยินว่าทางบ้านของพี่เนื่องนั้นเที่ยวมั่นหมายคนอื่นเอาไว้ที่ไหนเพราะถ้าเกิดต้องมีจริงพลอยก็น่าจะรู้เพราะว่าช้อยคงจะต้องบอกไม่ใช่วิสัยของช้อยที่จะปิดบงังพูดถึงเรื่องนี้ พ่ออยากจะเตือนลูกไว้ทั้งสองคนเรื่องมีเย่ามีเรือนเป็นเรื่องสําคัญของผู้หญิงพ่อดูคนหนุ่มหนุ่มสมัยนี้แล้วก็นึกเป็นห่วงคนเดี๋ยวนี้เขาดีแต่จะคิดกินคิดเล่นพ่อแม่ก็ตามใจใครได้ไปเป็นลูกผัวก็จะลําบากจะสําหรับแม่เชยและพลอยพ่อต้องขอเรื่องนี้ไว้ก่อนถ้ายัางรักพ่อก็ขอให้รักษาตัวให้ดี พ่อก็บอกแล้วว่าเห็นแต่สองคนเท่านี้ในกระบวนลูกของพ่อถ้าเสียหายไปพ่อจะเสียใจมากจะมีเย่ามีเรือนต่อไปอย่าเอาแต่ใจตัวขอให้ฟังผู้ใหญ่ก่อนพ่อเกิดมาก่อนได้รู้ได้เห็นมากกว่าอย่างไรเสียก็คงทําไม่ผิดเพราะใจนั้นรักลูกอยากให้ลูกดีเมื่อพลอยยังเด็กพ่อก็ไม่ห่วงหรอก แต่เดี๋ยวนี้โตเป็นสาวแล้วและก็สวยเสียด้วยอยู่ในวังนั้นก็ดีแต่เสด็จท่านเป็นเจ้าใหญ่นายโตจะไปดูแลได้อย่างไรทั่วถึงถ้าไม่ระวังตัวเพื่อนฝูงก็จะชักจูงไปกว่าจะรู้ตัวก็สายซะแล้วพลอยฟังก็ได้แต่นิ่งแล้วก็รู้สึกอายเมื่อเจ้าุณพ่อพูดถึงเรื่องนี้นะคะ และถึงจะตอบก็ไม่มีอะไรจะตอบนอกจากรับคำแล้วก็นิ่งๆไว้ก่อนพรอยังอยู่กับคุณสายหรือเปล่าที่ในวังยังอยู่เจ้าค่ะคุณสายเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่น่านับถือพ่อเห็นกิริยามารยาทของพรอยก็พอจะรู้ว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลความจริงพ่อรู้จักกับพวกนี้เข้ามานานพอ น, นบ ที่ชายคุณสายก็รู้จักกันมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆแต่ใจคอไม่หนักแน่นเท่าน้องสาวพอนบแกชอบสนุกและเป็นคนไม่มีมานะพอใจเอาง่ายๆชอบอยู่สบายๆถ้าแกขมักขม่นเหมือนเพื่อนฟูงคนอื่นป่านนี้ก็คงจะเป็นพระน้ำพระยาไปแล้วแต่นี่ยังคงเป็นแค่หลวงแล้วก็คงจะเป็นหลวงไปจนตายเออ ลูกสาวเขาคนที่โกนจุกพร้อมกับพลอยยังอยู่ในวังหรือเปล่ายังอยู่เจ้าค่ะป่านนี้ก็เห็นจะโตรุ่นพลอยแล้วสินะเด็กๆเดีเด๋ยวนี้โตเร็วกันเสียจริงๆแล้วพ่อนบก็มีลูกกี่คนมีสองคนเจ้าค่ะเอ๊มีผู้ชายอีกคนหนึ่งจําได้ละ่ะป่านนี้ก็เห็นจะเป็นหนุ่มใหญ่ ก็ททำอะไรหรือเปล่าเห็นว่าไปเป็นทหารอยู่หัวเมืองเจ้าค่ะพลอยตอบแบบไม่เต็มปากเต็มทีนะคะหัวใจชักจะสันส่นๆชอบกลนเมื่อได้ยินเจ้าคุณพ่อพูดเข้าหาเรื่องพี่เนืองคือฟังเจ้าคุณพ่อพูดกระแสะเข้ามาเรื่อยๆ เหมือนกับว่าเจ้าคุณพ่อของพลอยเนี่ยจะรู้ระแคะระคายแต่เจ้าคุณพ่อก็ไม่ได้สนใจในครอบครัวของพี่เนื่องเกินกว่าคนรู้จักธรรมดาเพราะว่าท่านพูดต่อไปว่าดีเหมือนกันยังหนุ่มยังแน่นก็ออกหัวบ้านหัวเมืองเสียก่อนแต่ทันนิสัยรักความสบายเหมือนพ่อก็เห็นจะเอาดีได้ยากพลอยฟังแล้วก็รู้สึก ไม่ค่อยสบายใจจะพูดจาแทนเ อ, อคือจะพูดจาแก้แทนคุณหลวงและพี่เนื่องเนี่ยก็มีกล้าบได้แต่นึกอยู่ในใจว่าเพราะนิสัยรักความสุขสบายแล้วก็ไม่ทะเยอะทะยานเกินไปของคุณหลวงคุณพ่อของช้อยนั่นเองที่ทําให้พลอยนึกรักคุณหลวงอย่างมากและนิสัยรื่นเริงสนุกสนานของพี่เนื่องนั่นเองที่ทําให้พลอยนึกรักพี่เนื่องเสียสุดสว่าดขาดใจ ถึงพี่เนื่องจะไม่เคยทะเยอทะยานมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้พี่เนื่องก็กําลังมุ่งหน้าสร้างหลักฐานอย่างเต็มกําลังแต่เจ้าคุณพ่อท่านไม่ทราบว่าคนที่เป็นยอดแห่งปรารถนาและเป็นกําลังใจให้พี่เนื่องได้ดียิ่งกว่าคนอื่นๆนั้นก็คือลูกสาวคนที่พักท่านอยู่ในบัดนี้นั่นเองคําพูดของเจ้าคุณพ่อ ยังทำให้พลอยรู้สึกวิตกต่อไปอีกคือเจ้าคุณพ่อแสดงชัดเจนนะคะว่าถึงแม้ท่านจะชอบพอกับคุณหลวงในฐานะเพื่อนเก่าแต่ก็มีได้นับถือเลื่อมใสนักคือมองว่าพ่อของช้อยเป็นคนรักสบายไม่ค่อยมีความมานะอดทนขณะเดียวกัน ท่านก็คงจะต้องสงสัยว่าพี่เนื่องนั้นเหมือนกับคุณหลวงซึ่งเป็นคุณพ่อหรือเปล่าเพราะว่าเป็นพ่อลูกกันพลอยก็สงสัยว่าถ้าถึงเวลาเข้าจริงพี่เนื่องสมคนมาสู่ขอเจ้าคุณพ่อคงจะไม่สู้เต็มใจมีทางเดียวที่จะให้เจ้าคุณพ่อยินยอมนั่นก็คือพี่เนื่องจะต้องทําตัวคือพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าพี่เนื่อง จะเป็นคนที่ได้ดีแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานต่อไปคนหนึ่งในภายหน้าขณะนี้พี่เนื่องก็ยังไม่รู้ยังคงเชื่อว่าถ้าทางผู้ใหญ่มาสู่ขอเจ้าคุณพ่อคงจะไม่ขัดคือพี่เนื่องของพลอยเนี่ยคิดไปเองว่าเจ้าคุณพ่อของพลอยกับคุณหลวงซึ่งเป็นพ่อของตนนั้นรักใคร่ชอบพอกันมาก่อนเพราะฉะนั้น ถ้าจะมาสู่ขอพรอยเจ้าคุณพ่อของพรอยก็คงไม่ว่าอะไรแต่พี่เนื่องไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าคุณพ่อของพรอยรู้สึกอย่างไรกับคุณหลวงซึ่งเป็นพ่อของพี่เนื่องพรอยก็แหมกลุ้มใจว่าจะทํายังไงที่จะให้พี่เนื่องรู้ตัวว่าไม่ได้เ อ, อไม่ได้ดีอย่างที่พี่เนื่องคิดนะคะคือพี่เนื่องก็อาจจะมองโลกแงด่ดีไปหน่อย พลอยยิ่งคิดก็ยิ่งกลุมเพราะว่าพี่เนืองนั้นก็อยู่ไกลแสนไกลถ้าหากว่าพี่เนืองอยู่ในกรุง ม, มีโอกาสที่จะเข้ามาฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าคุณพ่อให้ท่านได้รักได้เห็นใจบางทีก็อาจจะไม่สู้กระไรนักหนาแต่นี่ก็อยู่กันไกลเสียเหลือเกินนะคะหมดโอกาสที่จะทําคะแนนด้วยความกรุ้มใจแล้วก็มัวแต่คิดเรื่องของตนพลอยก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจฟัง ว่าเจ้าคุณพ่อเนี่ยคุยว่ายัางไงบ้างจนกระทั่งรับประทานเสร็จมารู้สึกตัวตอนที่เจ้าคุณพ่อบอกคุณเฉยให้พาพลอยไปหาข้าวกินกันซักแล้วก็ให้พักผ่อนซะบ้างส่วนตัวท่านเองนั้นก็นั่งต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ลุกเข้าไปเอนหลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องระหว่างที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันในห้องคุณเฉยคุณเฉยก็ปลารบเป็นเชิงขบขันว่า เจ้าคุณพ่อท่านพูดเปล่ากับว่าลูกสาวของท่านขายดีเสียเต็มประดาฉันยังไม่เห็นท่านขายออกสักคนตั้งแต่ลูกสาวใหญ่ท่านลงมาทีเดียวคุณเชยอย่างคุณอุ่นนี่ถ้ามีเรือนเสียบางทีเธอจะดีขึ้นบ้านกระมังโว้ยอย่าไปพูดถึงเธอเลยเธอว่าเธอไม่มีหลอกลูกผัวเธอเป็นห่วงเจ้าคุณพ่อจะอยู่ปรนิบัติดูแลการบ้านให้ท่านไปจนตาย ก็จริงๆของเธอนี่คุณเชยเจ้าคุณพ่อท่านก็ไม่มีใครที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่จะดูแลแทนท่านได้ถ้าคุณอุ่นเธอออกเรือนไปซะก็คงจะลําบากเหมือนกันแม่พลอยแม่ทุนหัวของพี่แม่แม่ช่างเป็นคนดีเสียจริงๆเห็นอะไรก็ว่าถูกไปหมดแม่ไม่รู้ดอกหรือว่าคุณอุ่นเธอหวงสมบัติต่างหากแม่พลอยไม่ได้ยินเจ้าคุณพ่อท่านบ่นเมื่อกี้ดอกหรือว่าวันหนึ่งหนึ่ง ท่านไม่เห็นหน้าใครนอกจากฉันคนเดียวคุณอุ่นเธอก็ตีแต่นั่งคุมกำปั้นอยู่ในห้องท่านจะอยู่จะกินอย่างไรฉันก็ไม่เคยจะเห็นเธอเหลียวแลแต่เจ้าคุณพ่อท่านเกรงใจเธอมาเสียนานแล้วท่านก็ไม่พูดคุณอุ่นน่ะเธอหาคนมาขอไม่ได้หรอกเพราะเธอเที่ยวดูถูกคนเขาไว้เสียหมดว่าไม่มีใครวิเศษคู่ควรกับเธอเธอไม่มีหรอกลูกผัวนะ่ะแม่พลอยคอยดูไปก็แล้วกัน แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะซีคุณเฉยหมายความว่าอย่างไรทำไมเรื่องถึงไม่จบแค่นั้นฉันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกแต่ฉันรู้สึกว่าเมื่อคุณอุ่นเธอตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่มีเรือนเธอก็เลยไม่ยอมให้คนอื่นมีเหมือนกันอย่างฉันเนี่ยถ้าคิดจะมีเรือนเมื่อไหร่เธอเป็นอารวาสแน่ๆนิสัยคุณอุ่นเธอไม่ชอบเห็นใครมีอะไรมากกว่าตัว ถ, <un> ถ้าเธอไม่มีเรือนคนอื่นๆในบ้านนี้ก็มีไม่ได้ใครขืนมีเธอจะเห็นเป็นบาปเป็นกรรมทีเดียวล่ะคุณเฉยคิดมากไปเองกระมังคุณอุ่นเธอคงไม่ถึงเพียงนั้นหรอกก็ดูแต่คุณชิดสิมีลูกตั้งสองคนแล้วเธอก็ยังรักออกคุณเชยก็บอกชันเองคุณชิดนั่นน่ะอีกอย่างหนึ่ง คุณชิดเป็นผู้ชายจึงไม่มีของจะไปแข่งขันประชันดีกับเธอได้แล้วคุณชิดเขาก็เป็นน้องรักทำอะไรอะไรก็ไม่ผิดเข้าข้างกันเสมอละ่ะแต่ไม่พรอยอย่าฟังฉันข้างเดียวเลยคอยดูไปเองก็แล้วกันฉันพูดไว้ไม่ผิดหรอกคุณเชยหยุดพูดกินข้าวต่อไปอีกครู่หนึ่งแล้วก็ปรารถขึ้นว่าความจริงแม่พรอยนี่ก็แปลกนะชาจะว่าไป ก็เป็นลูกคนละแม่กับฉันแต่ฉันกลับรักแม่พลอยมากกว่าพี่น้องแม่เดียวกันเสียอีกเหมือนกับว่าเราเป็นลูกแม่เดียวกันแท้ๆเพราะฉันรักแม่พลอยนี่แหละเลยทำให้ฉันเป็นเจ้าของพ่อเพิ่มไปด้วยกลายเป็นเหตุให้ทะเลาะ ก, กับคุณอุ่นอยู่บ่อยๆพลอยฟังแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจจะตอบว่าอย่างไรก็คงไม่ตรงกับความรู้สึกที่มีอยู่ในใจจึงได้แต่มองหน้าคุณเฉยแล้วก็ยิ้ม แล้วนี่พ่อเพิ่มเขารู้หรือเปล่าว่าฉันจะมาค้างบ้านฉันบอกเขาต้องหลายหวนแล้วเขารู้แล้วว่าแม่พลอยจะมาบ้านวันนี้เขายังบอกฉันเลยว่าวันนี้เขาจะกลับแต่วันแล้วันนั้นพ่อเพิ่มก็กลับบ้านแต่วันจริงๆพอกลับถึงบ้านพ่อเพิ่มก็รีบขึ้นมาหาพลอยที่เฉลียงหน้าตึกความจริงพ่อเพิ่ม เป็นคนคนเดียวจากบ้านที่พลอยได้พบเป็นครั้งเป็นคราวตลอดเวลาห้าหกปีที่ผ่านมาเพราะว่าพ่อเพิ่มไปทางานในวังนะคะก็เลยมีโอกาสได้เจอกับพลอยบ่อยกว่าคนอื่นแต่ว่าหลังๆพ่อเพิ่มชักจะหายไปเมื่อได้มาพบกันที่บ้านซึ่งมีเวลาพูดคุยกันนานพลอยก็ดีใจที่ได้พบ ในขณะที่พ่อเพิ่มก็ดูเหมือนจะดีใจที่น้องสาวได้กลับมาบ้านเช่นเดียวกันเมื่อพ่อเพิ่มขึ้นบันไดตึกมาคุณเชยนั่งคุยกับพลอยอยู่ที่หน้าห้องหวานลูกสาวคนเล็กของเจ้าคุณพ่อกับแม่แววซึ่งบัดนี้อายุสิบสามปีซึ่งก็นั่งอยู่ด้วยเพราะคุณเชยให้คนไปตามขึ้นมาไหวพลอยเพื่อที่จะได้รู้จักกันไว พอเพิ่มเดินขึ้นมาบนตึกคุณเฉยสกิพรพลแน่มาแล้วละ่ะวันนี้จะเมาเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้พอเพิ่มขณะนี้เป็นหนุ่มใหญ่ทีเดียวพลอยสังเกตว่าพอเพิ่มนั้นดูหน้าตาแก่กว่าอายุ ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ต่อตัวเองแต่งเนื้อแต่งตัวหวีเ้าผมก็รุงรังอย่างคนที่ไม่สนใจตัวเองพอเพิ่มนุ่งผพ้า พ, พื้นสีเขียวเก่าๆผืนหนึ่งผ้พาผืนนั้นแสดงอาการว่านุ่งมาหลายวันแล้วและพอเพิ่มก็อาจจะนุ่งต่อไปอีกหลายวันแม่พลอยเมื่อถึงเมื่อไหร่คุณเชยบอกฉันไว้หลายวันแล้วว่าแม่พลอยจะมาค้างบ้าน วันนี้ฉันก็เลยรีบกลับมาแต่วันฉันมาถึงแต่เช้าพ่อเพิ่มสบายดีเหรอก็องั้นๆแหละจะว่าสบายก็สบายไม่มีทุกข์มีร้อนอะไรนั่นนะซี่ฉันยังนึกอิจฉาพ่อเพิ่มอยู่เสมอเรื่องที่พ่อเพิ่มไม่มีทุกข์เสียเลยนี่แหละคุณเชยขัดจังหวะพ่อเพิ่มก็หัวเราะคุณเชยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเลี้ยงดูฉันเป็นลูกบุญธรรมนะพลอย ฉันกลับบ้านมาได้มีข้าวมีปลากินก็เพราะคุณเชยเธอหาไว้ให้เสียอยู่แต่เธอดูเสียจริงๆไม่ว่าฉันจะทำอะไรเป็นผิดไปหมดดูสิพอเพื่อมาหาความฉันเคยไปดูไปว่าอะไรที่ไหนมีแต่ฉันคอยเตือนว่าคนอื่นเนี่ยเขาว่าอะไรบ้างกลับมาหาว่าฉันดูพอน้องสาวมาถึงบ้านก็ฟ้องกันเลยทีเดียวหลังจากที่นั่งพูดกันอีกสักครู่คุณเชย ก็ชวนหวานน้องสาวไปทําธุระทางอื่นแล้วก็ปล่อยให้พลอยนั่งคุยกับพ่อเพิ่มตามลาพังพลอยนั่งคุยกับพ่อเพิ่มฟังพ่อเพิ่มคุยก็รู้ว่าพ่อเพิ่มช่างเป็นคนที่ไม่มีทุกข์เอาเสียจริงๆนะคะคือไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวกับใครพ่อเพิ่มบอกว่าวันหนึ่งๆพ่อเพิ่มก็ทําราชการบ้างเปี้ยวกับเพื่อนฝูงบ้างบางวันพ่อเพิ่มก็กลับบ้าน บางวันก็ค้างบ้านเพื่อนพ่อเพิ่มดูจะมีเพื่อนฝูงมากมายเอาการเวลาที่พ่อเพิ่มพูดคุยก็มักจะเอ่ยถึงเพื่อนฝูงคนโน้นคนนี้อยู่ไม่ขาดปากส่วนเรื่องมีลูกมีเมียพ่อเพิ่มก็บอกว่ายัางไม่เคยคิดถึงจะมีก็รุงรังเปล่าๆแล้วก็เล่า ว, ว่าตอนนี้ได้เงินเดือนเดือนละสองตำลึงเจ้าคุณพ่อให้อีกสองตำลึงใช้หมดทุกเดือนไม่มีเหลือเก็บ แล้วก็บอกว่าถ้าหากจะมีเมียคงจะต้องหาเมียเศรษฐีเพราะว่าไม่มีเงินเหลือเก็บเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเวลาจะหาแต่ก็บอกพลอยว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตอนนี้เจ้านายท่านก็รักเพื่อนฝูงก็ไว้ใจได้ถึงจะเป็นอย่างไรก็คงไม่มีใครทอดทิ้งพลอยเล่าให้พ่อเพิ่มฟังถึงเรื่องที่เจ้าคุณพ่อบ่นเมื่อเช้านะคะ ที่บอกว่าไปราชการก็ไปบ้างไม่ไปบ้างพอเพิ่มก็แก้ตัวบอกว่าเจ้าคุณพ่อจะเป็นผู้ใยญ่ท่านก็ต้องว่าไปอย่างนั้นแหละอย่าไปถือสาท่านเลยในระหว่างที่พี่น้องคุยกันอยู่นั้นนะคะ จ, จู่ๆพอเพิ่มก็ถามขึ้นมาว่าเออแม่พลอยแม่พลอยรู้จักคุณเปรมบ้างหรือเปล่า พลอยสะดุง้งเมื่อได้ยินคําถามนี้คุณเปรมไหนฉันไม่รู้จักคุณเปรมเพื่อนฉันเองเขาเป็นมหาดเล็กหลวงอยู่ในวงังเขาบอกฉันว่าเขารู้จักแม่พลอยเคยพบบ่อยๆฉันไม่รู้จักหรอกพ่อเพิ่มคนอยู่ในวังเป็นกายเป็นกองใครจะไปรู้จักหมดว่าแต่พ่อเพิ่มเถอะไปรู้จักเขาได้ยังไง ฉันก็เพิ่งมารู้จักเขาเมื่อไม่นานมานี้เองคุณเปรมเขาแก่กว่าฉันสามสีป่ปีเพื่อนเพื่อนพามาให้รู้จักอีกทีหนึ่งแต่พอรู้จักกันไปฉันก็เห็นว่าเขาหน้าคบมากทีเดียวคุณเปรมเขาเป็นคนมีอันจะกินเจ้าคุณพ่อเขาเป็นกรมท่าสายผูกภาษีอากรเขารวยกว่า บ, บ้านเราเสียอีกนาแต่เขาก็เป็นคนดีไม่ถือตัวยิ่งกับฉันล้วก็รักกันนักทีเดียว เขาว่ารักฉันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่รู้ว่าไปถูกชะตากันได้ยังไงแปลกแทบแต่ฉันดูดูเขาตั้งใจจะเอาอกเอาใจฉันเสียจริงๆอยากจะได้อะไรก็หามาให้จะพูด จ, จาอะไรเขาก็เอออวยไปหมด <c oughs> พรอยก็ไม่ตอบพ่อเพิ่มว่าอย่างไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็คิดไปถึงสายตาคู่ที่เคยมองพลอยในที่ต่างๆแล้วก็ไม่นึกสงสัยในเรื่องที่พ่อเพิ่มเล่า คุณเปรมก็คงจะไปสืบมาว่าพ่อเพิ่มเป็นพี่ชายของพลอยก็เลยได้เข้าติดต่อถึงตัวแล้วก็พยายามเอาอกเอาใจพลอยนั้นเคยนึกกำคารคุณเปรมที่คอยเที่ยวมองดูตัวในที่ต่างๆแต่พอมารู้ว่าคุณเปรมสนใจคือสนใจจริงๆถึงขนาดเข้าหาพ่อเพิ่มแล้วก็พยายามเอาอกเอาใจทุกทางพลอยก็มีความรู้สึกแปลกขึ้น แต่ว่ารำคาญใจนั้นก็ไม่ได้แต่เป็นความรู้สึกครึ่งภูมิใจและก็ครึ่งวิตกที่วิตกนั้นก็เพราะว่าเกิดมีผู้ชายอีกคนหนึ่งนอกจากพี่เนื่องที่เข้ามาสนใจในตัวแต่ภูมิใจก็เพราะเหตุว่าความสนใจของผู้ชายนั้นมีมากถึงกับแสดงออกมาด้วยการเอาอกเอาใจพเพิ่มคือพลอยก็เป็นผู้หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งมีผู้ชายมาสนอกสนใจแน่นอนนะคะ ก็ต้องมีภูมิใจมีปลื้มอยู่บ้างเอนึกนึกไปก็แปลกเขาบอกฉันเป็นม่านเป็นเหมาะว่ารู้จักแม่พลอยแล้วทำไมแม่พลอยกลับมาบอกว่าไม่รู้จักเขาก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยเพ่อเพิ่มก็ฉันบอกแล้วไงว่าคนในวังนั้นมากบางทีอาจจะเคยแลเห็นกัน แล้วฉันอาจจะจำเขาไม่ได้กระมังคุณเปรมมหาดเล็กใครๆก็รู้จักเขากว้างขวางออกคนที่รูปร่างสูงสูงเขาขาวน่นอย่างไรล่ะแม่พร้อยฉันก็ยังนึกหน้าไม่ออกอยู่นั่นเองพรอยตอบใบเบี่ยงไม่ยอมรับว่าตนก็รู้จักคุณเปรมเหมือนกันแล้วก็เลยชวนพ่อเพิ่มคุยเรื่องอื่นๆแทนไม่ยอมพูดถึงเรื่องคุณเปรมอีกเลย รหว่างที่พลอยมาค้างบ้านพลอยได้พยายามทุกทางในการที่จะปรนนิบัติเอาใจเจ้าคุณพ่อให้สมกับที่จากบ้านไปนานและได้กลับมาบ้านนานๆครั้งหนึ่งพลอยก็ปรึกษาหารือกับคุณเชยด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขของเจ้าคุณพ่อเรื่องอาหารการกินและพลอยก็ได้ลงมือทำกับข้าวแปลกๆใหม่ๆหลายอย่างที่เรียนรู้มาจากในวังให้เจ้าคุณพ่อรับประทาน เป็นต้นว่ากับข้าวฝรั่งซึ่งในขณะนั้นในวังเริ่มทำกันอย่างแพร่หลายและข้าวคลุกแบบชวาตามาำรับที่ได้มาเมื่อครั้งเสด็จประาพาสชวาครั้งก่อนเรื่องเล็กๆน้อยน้อยเกี่ยวกับระเบียบการปรนิบัติตลอดถึงเรื่องความสะอาดที่คุณเชยมีได้สังเกตเพราะว่าอยู่ประจำพลอยก็ค่อยๆชี้แนะให้เห็น แล้วก็แนะนำให้คุณเฉยสั่งคนในบ้านที่มีหน้าที่รับใช้เจ้าคุณพ่อให้คอยดูแลพรอยชวนให้คุณเฉยนั้นสำรวจเครื่องแต่งกายเจ้าคุณพ่อโดยทั่วถึงเพื่อดูให้ละเอียดว่าสิ่งใดควรจะเก็บไว้ได้สิ่งใดควรจะซ่อมหรือว่าสิ่งใดควรจะรุทิ้งไปเลยและไม่ว่าพรอยจะแนะนาอะไรคุณเฉยก็เชื่อแล้วก็ทาตามโดยไม่ได้ถือสา ฉันเห็นฝีมือแม่พลอยทําอะไรต่ออะไรแล้วช่าง น, นับถือเสียจริงๆหันกลับมาดูตัวเองเห็นเหมือนคนบื้องนอกรู้อย่างนี้ฉันเข้าไปอยู่ในวังเสียบ้างแต่เด็กๆก็น่าจะดีคือคุณเฉยเนี่ก็มีความรู้สึกที่ดีกับพลอยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นว่าอะไรก็ว่าตามกันในการกระทําทุกอย่างพลอยไม่ยอมออกหน้าเป็นอันขาดทําทุกอย่างผ่านคุณเฉย จะสั่งการใดๆในบ้านก็ขอให้คุณเชยสั่งแม้แต่นังพิษพลอยก็ต้องคอยดอยูแลห้ามปรามมิให้ไปก้าวกก่กับคนในบ้านเพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องเมื่อมาถึงวันแรกตอนกลางคืนนังพิษก็มาหาพลอยแล้วก็ร้องไห้เสียเป็นวักเป็นเวณบอกว่าคิดถึงคุณคือแม่ของพลอยจนสุดที่จะทนทานได้เมื่อได้มาเห็นสถานที่บ้านช่องที่คุณเคยอยู่ ฝ่ายคุณเฉยนั้นก็ดูเหมือนจะรู้ใจพลอยอยู่มากพลอยจะตักเตือนสิ่งใดก็ยอมรับฟังเป็นอย่างดี้ดวยเหตุเหล่านี้พลอยจึงมาอยู่บ้านเหมือนกับว่ามาอยู่เฉยๆยังไม่มีเรื่องที่จะต้องร้อนใจส่วนคุณอุ่นนั้นถึงจะไม่พอใจอย่างไรก็ได้แต่เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมรับรู้ว่ามีพลอยอยู่ในโลกเพราะคุณอุ่นรู้ดีว่าพลอยกลับมาบ้านเพราะว่าเจ้าคุณพ่อให้ไปรับหมา และคุณอุ่นนั้นถึงแม้ว่าจะแสดงอำนาจต่อคนได้ทั่วไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังคงมีความเกรงใจเจ้าคุณพ่ออยู่บ้างส่วนกับพี่น้องคนอื่นๆพลอยก็พยายามปฏิบัติตนเป็นพี่น้องที่ดีที่สุดกับหวานน้องสาวคนละแม่นั้นเป็นเด็กที่กำลังจะโตเมื่อได้พบพลอยผู้เป็นพี่สาวเต็มตัวออกมาจากวังพร้อมด้วยบรรยากาศของในวังซึ่งเป็นที่ที่หรูหราที่สุดในสมัยนั้น หวานก็นับถือเรื่อมใสพี่สาวอย่างจริงใจไม่ว่าพลอยจะไปทางไหนหรือทำอะไรหวานก็ติดตามไปอยู่ใกล้ๆคอยดูไปเสียทุกอย่างพลอยก็ถือโอกาสแนะนำและก็สอนให้ทำของต่างๆแล้วก็ข้าวของเสื้อผ้าที่เอาออกมาด้วยก็แบ่งให้เท่าที่เห็นว่าเหมาะสำหรับเด็กในวัยนั้นพลอยรู้สึกปลื้มที่มีน้องสาวถึงแม้ว่าจะเป็นคนละแม่ ความจริงเมื่อตอนที่พลอยออกจากบ้านนั้นหวานก็ยังเด็กเต็มทีและพลอยก็มีได้สนใจแต่พอกลับมาอีกทีหวานก็กลายเป็นเด็กโตที่พูดจากันรู้เรื่องก็ทำเอาพลอยออกจากตื่นต่นว่ามีน้องสาวที่เป็นคนโตโตและยิ่งอยู่ไปก็ชักจะรักเอามากๆส่วนกับคุณชิดนั้นพลอยไม่ค่อยจะได้พบเพราะว่าอยู่กันคนละเรือน แต่ถึงจะพบกันครั้งไรพลอยก็นอบน้อมด้วยความเคารพเรียกว่าคุณพี่ทุกคำทำให้คุณชิดเอ็นดูแล้วก็พูดจาด้วยเป็นอย่างดีเจ้าคุณพ่อให้คุณชิดและพวงผู้เป็นภรรยาไปอยู่ที่เรือนที่พลอยเคยอยู่กับแม่พอพลอยมาค้างบ้านได้คืนหนึ่งพลอยก็ชวนคุณเชยไปเยี่ยมคุณชิดและห ล, ะหลานๆที่เรือนพอได้เห็นหน้าคุณชิด พอยก็ใจหายเพราะว่าคุณชิดเมื่อรุ่นหนุ่มนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะสวยคือในนี้ใช้คำว่าสวยนะคะสมัยก่อนเวลาที่เรียกผู้ชายหน้าตาดีนี่เขาไม่ได้เรียกว่าหล่อนะคะเรียกว่าสวยคุณชิดก็เป็นเช่นนั้นค่ะแต่คุณชิดตอนนี้ไม่เหมือนคุณชิดคนก่อนโรคไผ่ไข้เจ็บและยาเสพติดทำให้คุณชิดซุดโทมลงไปจนดูเหมือนคนแก่ ร่างกายผอมแห้งผิวเหลืองสูบซีดริมฝีปากเขียวคุณชิดนั่งเล่นอยู่ที่เฉลียงหน้าเรือนมีผ้าขอม้าห้อยหลายอยู่ผืนหนึ่งพอเห็นพลอยเดินมาคุณชิดก็ร้องทักแล้วก็เรียกให้ขึ้นเรือนพรางลดผ้อขอาขม้าลงมาคาดไว้ที่ผงพลอยขึ้นเรือนที่ตนเคยอยู่ด้วยความรู้สึกที่วังเวงท่าได้ขึ้นมาคนเดียวโดยไม่มีคนอื่นอยู่ด้วย พลอยก็เห็นจะต้องหลั่งน้ำตาด้วยความคิดถึงแม่เรือนนั้นเก่าแก่ซุดโซมไปตามวัยแต่ก็ยังพออยู่ได้และดูเหมือนว่าคุณชิดก็ไม่ได้สนใจนะักคุณชิดคุยด้วยอยู่ครู่หนึ่งก็บอกพวงให้พาลูกออกมาให้พลอยดูนี่เป็นบ้านที่พลอยเคยอยู่กับแม่นะคะตอนนี้โอนมาให้คุณชิด ก็เหมือนกับว่าพลอยได้กลับมาเยี่ยมบ้านบ้านซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวเองจริงๆในอดีตพอมาเจอกับคุณชิดที่ชายต่างแม่คุณชิดซึ่งมีนางพวงเป็นภรรยานะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นภรรยาแบบออกหน้าออกตาก็ตามแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นแม่ของลูกพลอยก็รู้สึกสงสารพวงจับใจแต่ก่อนนี้เคยรู้จักพวงในฐานะที่เป็นบ่าวในบ้าน คนทั้งบ้านก็พากันเรียกว่านางพวงบ้างอีพวงบ้างสุดแท้แต่อารมณ์ขณะที่เรียกแต่พวงโตเป็นสาวขึ้นหน้าตาก็พอจะดูได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สวยงามอะไรนะักพวงในฐานะใหม่ที่เป็นพี่สะใภ้ของพลอยก็ยังคงแสดงกิริยานอบน้อมแสดงความเคารพต่อพลอยเช่นเคยอาจจะมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำ พลเห็นกิริยาอาการของพวง ก, ก็เข้าใจดีว่าเพราะเหตุใดคุณอุ่นจึงได้นิ่งให้เพราะถ้าคุณชิดได้เมียที่เป็นคนมีฐานะเท่าเทียมกันเมียคุณชิดก็จะต้องตีเสมอในฐานะพี่น้องซึ่งคุณอุ่นอาจจะทนไม่ได้แต่เพราะว่าพวงเป็นบ่าวชนิดลูกครอกนะคะไม่ใช่บ่าวธรรมดาบ่าวลูกครอกมาในบ้านถึงแม้ว่าจะได้เป็นเมียคุณชิดพวง ก, ก็ยังถือว่าคุณชิดเป็นนาย และการเป็นเมียนั้นก็เท่ากับเป็นหน้าที่การงานไม่ได้ถือว่าเป็นการยกฐานะของตนให้สูงกว่าแต่ก่อนแม้แต่ลูกของตนแท้ๆพวงก็ยังเรียกว่าคุณทั้งสองเพราะเด็กทั้งสองคนนั้นมีคุณชิตเป็นพ่อแม่พวงสบายดีเหรอพลอยเป็นคนทักขึ้นก่อนพวงสะดุ้งขึ้นจนเห็นได้ชัดเพราะครั้งนี้ดูเหมือนเป็นครั้งแรกที่คนขนาดลูกเจ้าคุณ ซึ่งเป็นเจ้าขุนมูลนายเรียกตนว่าแม่พวงคือคำว่าแม่พวงนี่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติให้เกียรติมากแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นบ่าวซึ่งปกติก็จะมีคนเรียกนางพวงหรือไม่ก็อีพวงสบายเจ้าค่ะแต่คุณพลอยไปเสียนานสวยผิดตาทีเดียว ถ้าบ่าวเห็นที่อื่นเป็นจาไม่ได้แน่ๆพรอยฟังแล้วก็ยิ่งใจแห้งลงไปอีกพวงก็ยังคงใช้คำแทนชื่อตัวเองว่าบ่าวอยู่นั่นเองฟังแล้วพรอยก็ให้รู้สึกสงสารแล้วก็ยังเกิดความนับถือในความเสมอต้นเสมอปลายของพวงแล้วพวงก็อุ้มรูปของตนออกมาให้ดูคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายเล็กๆอายุร า, ราวๆสองขวบหน้าตาน่ารัก อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแรกเกิดอายุได้เดือนกว่าๆพลอยนะั้นเป็นคนรักเด็กแต่เมื่ออยู่ในวงังไม่มีเด็กเล็กๆขนาดนี้ให้เล่นพอเห็นลูกคุณชิดซึ่งก็ถือเป็นหลานของตนพลอยก็ตื้นตันใจแล้วก็ดีใจเราคนกันไปสังตยาณของแม่ที่มีอยู่ในตัวก็ดูเหมือนจะแสดงอิทธิพลออกมาแล้วก็พุ่งเข้าหาเด็กทั้งสองคนนั้นอย่างเต็มที่ พลอยอุ้มหลานคนผู้ชายขึ้นใส่ตักแล้วก็กอดจูบเหมือนกับไม่สามารถจะวางลงได้พวางหลานชายลงก็หันไปมองหลานสาวหลานสาวแรกเกิดในเบาะนะคะในขณะที่มองหลานสาวพลอยก็ยื่นนิ้วมือเข้าไปที่เด็กเด็กซึ่งกำลังดิ้นอยู่ในเบาะเด็กก็คว้ามือพลอยไปกาเอาไว้แน่นพลอยใจเป็นแรงผิดปกติ ใจขอว่าหวามด้วยความรักและความปราณีความตื้นตันในใจทําให้พลอยถึงกับน้ำตาคลอพลอยเหลียวไปดูหน้าพวงพวงก็ยิ้มด้วยและได้ยินเสียงพวงพูดกับลูกของตนว่าคุณรู้จักคุณอาพลอยด้วยหรือคะแน่ดูสิกำนิ้วคุณพลอยแน่นทีเดียว พลอยค่อยๆ ค, คลายนิ้วมือจากมือเด็กเมื่อรู้ว่าคุณชิดมีลูกพลอยก็เตรียมสายไขยทองเส้นเล็กๆเอาไว้สองเส้นเอาออกมาจากในวังเพื่อที่จะมาผูกข้อมือทําขวัญหลานตามธรรมเนียมตอนนี้สายสร้อยสองเส้นนั้นพลอยก็เอาติดตัวมาด้วยนะคะใส่เอาไว้ที่พกอ่าทีนี้พอเห็นเด็กทั้งสองคนใจของพลอยนั้น ก็นึกอยากแต่จะให้คือพอเห็นแล้วก็รักแล้วก็เอินดูนะคะเพราะพลอยนี่ก็เป็นคนที่รักเด็กแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีรักพี่รักน้องอยู่แล้วไม่ได้นึกเอ่อรังเกียจลังงอนว่าแม่ของเด็กนั้นเป็นเพียงแค่บ่าวไม่ได้นึกอย่างนั้นเลยพลอยก็รีบหยิบสายสร้อยออกมาจากพกแล้วก็นึกในใจว่าถ้าได้มาเห็นเด็กก่อนเนี่ยก็จะหามาให้เส้นโตกว่านี้ จากนั้นพลอยก็เอาสายสร้อยผูกข้อมือหลานทีละคนอย่างบรรจงในขณะที่คุณชิดพอเห็นพลอยเอ า, เอาสร้อยทองคำเนี่ยผูกข้อมือลูกก็ลุกจากที่นั่งที่อยู่ระเบียงมานั่งใกล้ๆอย่างรีบร้อนพอพลอยเอาสายสร้อยใส่ข้อมือลูกคนโตเสร็จคุณชิดก็คว้ามือเด็กไปพลิกดูอย่างไม่ปราณีปราศัย จะโงกหน้ามาดูพลอยผูกข้อมือลูกลูกคนเล็กนะคะที่ยังนอนดิ้นอยู่บนเบาะด้วยความสนอกสนใจแล้วก็ถามว่าท้องหนักเท่าไหร่พลอยก็งงนะคะไม่เชื่อหูตัวเองว่าจะได้ยินคําถามเช่นนี้จากปากคุณชิดผู้เป็นพอ่อซึ่งจะมาตีราคาของที่น้องสาวเนี่ยให้กับลูกตัวเองเกือบดูคุณเชยก็เห็นคุณเชยนั่งเคี้ยวหมากเฉยอยู่ เหลียวไปมองพวงก็เห็นพวงกําลังก้มนานิ่งขุนชิก็ถามขึ้นอีกว่าทองหนักเท่าไหร่พลอยก็ตอบแบบไม่เต็มปากเต็มคําว่าฉันก็ไม่ทราบเมื่อซื้อเข้ามาฉันก็ไม่ได้ถามเห็นเส้นเล็กน่ารักดีก็เลยเอามาผูกข้อมือหลานซื้อทองมันก็ต้องถามน้ําหนักผู้หญิงซื้อของแล้วก็เป็นอย่างนี้เสมอเห็นอะไรสวยก็ซื้อกันได้ซื้อกันดีถูกแพงไม่ว่า กลับขึ้นบนตึกกันหรือยังล่ะแม่พลอยคุณเฉยเตือนขึ้นแล้วก็ขยิบ ต, ตาเหมือนกับว่าจะรีบชวนให้พรอยกลับอยู่หลายๆวันก่อนสิแมพ่พลอยแล้วก็มาเล่นกับหลานบ่อยๆเด็กมันจะได้รักถ้าฉันไม่อยู่อีพวงมันก็อยู่อย่าเกรงใจเลยคุณชิดพูดขึ้นก่อนที่พรอยจะลงจากเรือนระหว่างที่เดินกลับจากเรือนคุณชิดไปที่ตึก คุณเชยก็บอกว่าฉันลืมเตือนแม่พลอยไปว่าถ้าจะให้อะไรหลานเป็นทองเป็นหยองอย่าให้คุณคิดเห็นจะดีกว่าทำไมล่ะคุณเชยก็ลูกของเธอแท้ๆพลอยก็ถามอย่างไม่เข้าใจนะคะคือแม่พลอยนี่ก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าอินโนเซนต์มากๆไรเดียงสามากๆนะคะฉันกลัวมันจะผูกข้อมือเด็กอยู่ได้ไม่กี่วันนะสิอคุณเชยเอาอะไรมาพูด ก็อีกแค่สายส้อยเส้นเท่านั้นเ อ, าอ้าแม่พลอยถ้าไม่พลอยไม่เชื่อก็คอยดูไปสิอีกสองสามวันพอพ่อเขาหิวขึ้นมาก็กลายเป็นควันฝิ่นไปหมดพลอยใจหายว่าไม่รู้ว่าคุณชิดได้ลดตัวไปถึงเพียงนั้นคือจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงนะคะ เพราะว่าคุณชิดนั้นเป็นถึงลูกพน้ําพระยาและแถมยังเป็นลูกเมียอกีกถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีก็ไม่น่าที่จะลดตัวไปเกลือกลั่วกับยาเสพติดถึงขนาดนั้นโถคุณเชยก็ฉันไม่เชื่อหรอกคนอะไรจะใจไม้ไส้รา ก, กรรมได้ถึงเพียงนั้นเฮ้อแม่พลอยเอ้ยแม่พลอยแม่ไปอยู่เสียในวังได้เรียนรู้อะไรมาก็จริง แต่แม่พลอยอย่าลืมว่านอกวังนี้ก็มีอะไรที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปอีกมากเหมือนกันคอยดูไปก็จะเห็นไปเองฉันน่ะรู้เสียจนขี้เกียจจะรู้แล้วนี่ทําไม่ใช่แม่พลอยฉันก็ไม่พูดปลอกอายเขาพลอยเดินกลับขึ้นไปบนตึกโดยที่ไม่ได้ปรีปากพูดว่าอะไรอีกและเมื่อขึ้นมาบนตึกเข้าไปในห้องของคุณเชยคุณเชยก็เล่าเรื่องคุณชิดให้ฟังซึ่งทําให้พลอยต้องคิดต้องกังวล เพราะว่าสงสารเด็กที่เพิ่งได้พบสองคนนั้นเป็นกำลังจนกระทั่งคุณเฉยต้องเข้ามาปลอบใจว่าแม่พลอยอย่อยากเก็บเอาเรื่องอะไรมาวิตกให้มากนักเลยเวรกรรมของใครสร้างไว้อย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้นฉันเองนั้นร้อนใจวิตกมาเสีย จ, จนหายไปแล้วคุยกันเรื่องอื่นๆดีกว่าความวิตกของพลอยมีได้มีแค่เรื่องของคุณชิดนะคะเพราะว่าอีกสามสี่วัน พลอยก็ได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างซึ่งทำให้พลอยเนี่ยต้องกรุ้มหนักขึ้นไปอีกนั่นก็คือวันหนึ่งตอนบ่ายขณะที่พลอยนั่งเล่นอยู่กับคุณเชยที่ใต้ต้นพิกลหน้าตึกโดยมีวานและเด็กอื่นๆช่วยกันเก็บดอกพิกลที่ร่วงกราดเกลื่อนอยู่ตามพื้นพลอยก็แวววได้ยินเสียงเหมือนใครร้องเพลงดังๆอยู่แต่ไกลเสียงนั้นค่อยดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา เป็นเสียงของคนที่นั่งอยู่ในเรือซึ่งกำลังแจวเข้ามาสู่บ้านอย่างชา้าช้าฉันว่าแล้วไม่ล่ะขอกันก็แล้วห้ามกันก็แล้วก็ยังอดแผลงฤทธิ์ไม่ได้ใครกันคุณเชยก็จะใครที่ไหนซะอีกละ่ะพอเพิ่มตัวดีของไม่พลอยนะสิพูดแล้วคุณเชยก็ลุกกระวีกระวาดเดินดุ่มไปยังศาลาท่าน้า ในขณะที่พลอยนั้นเหงื่อแตกด้วยความตกใจและก็เศร้าใจระคนกันจริงๆพลอยก็รู้มาก่อนแล้วว่าพ่อเพิ่มนั้นชอบดื่มสุราแต่ก็ไม่นึกว่าริดสุราจะทำให้พ่อเพิ่มเมาไมายอรารวาดกลางวันแสกๆถึงเพียงนี้ถึงขนาดที่นั่งเรือแล้วก็ร้องเพลงดังลั่นมาได้ตลอดคลองชาวบ้านชาวช่องเขาจะว่ายังไรและถ้าใครรู้ว่าพลอยเป็นน้องแท้ๆของพ่อเพิ่ม พลอยจะไปดูหน้าเขาได้อย่างไรพลอยเหลียวไปดูบนตึกก็เห็นยังเงียบอยู่เจ้าคุณพ่ออาจจะยังไม่ตื่นจากนอนกลางวันท่านคงไม่ได้ยินเสียงเอะอะในคลองซึ่งนับว่าเคราะห์ยังดีอยู่นางพิษกําลังเดินลัดลานบ้านเข้ามาหาที่ใต้ต้นพิกลที่พลอยนั่งอยู่เสียงใครมาเอะอะแต่วันเที่ยวคะคุณพลอยเบาน่อยพิษ พ่อเพิ่มน่ะไม่ใช่ใครหรอกผู้โทรมาห้ามบ่าวทำไมมันต้องไปห้ามเพราะต้นเสียงโน่นถึงจะถูกคุณเพิ่มนี่ก็เสียงดีไม่ใช่เล่นทีเดียวโทรพิทก็เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้พอเพิ่มเมาเหล้าเอะอะมาแบบนี้เดี๋ยวเจ้าคุณพ่อตื่นขึ้นมาได้ยินก็เกิดเรื่องบ้านแตกเท่านั้นเองอ้าเมาเหล้าด้วยหรอคะเนี่ย อย่าวิตกไปเลยคาทูนหัวเดี๋ยวพิษจัดการเองค่อยดูสีมือนางพิษบ้างสิอย่างนี้แหละชำนาญ น, นักเคยปราบมาหลายคนแล้วว่าแล้วนางพิษก็รีบเดินไปยังท่าน้ำอีกคนหนึ่งพลอยเห็นนางพิษนั่งลงพูดกับคุณเชยแล้วก็เห็นคุณเชยเดินกลับมาใต้ต้นพิกลอีกซึ่งขณะนั้นเหรือที่พเพิ่มนั่งมาก็เข้ามาจอดที่ท่าน้าแล้ว เสียงพ่อเพิ่มเจราจากับคนเรือเอะอะตามภาษาคนเมาอีกสักครู่หนึ่งพ่อเพิ่มก็เดินโซซัสโซเซผ่านหน้าพลอยและคุณเชยไปใกล้ๆมีนางพิษเดินขนาบข้างพ่อเพิ่มมีสีหน้าแดงกำด้วยฤทธิ์สุราส่งกลิ่นเหล้าฟุ้งมาถึงที่ที่พลอยนั่งอาการกิริยาของพ่อเพิ่มดูหน้าขยะขยงจนพลอยเกือบจะทนดูไม่ไหว สนุกสนุกวันนี้สนุกมากแม่พิษไม่ยอดขอมออมนี่ยาเอะอะไปค่ะคุณเพิ่มมากินข้าวเสียเดี๋ยวนี้เชียวไม่งั้นฉันตีเอาจริงๆนะอีพิษมืงจะตีกูเหรอพอเพิ่มก็พูดแบบออแอแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ได้แต่เดินตามนางพิษไปทางครัวแล้วก็เงียบหายไป นั่งพิสมารายงานต่อพลอยตอนกลางคืนบอกว่าจริงๆพ่อเพิ่มก็ไม่ได้เมาเท่าไหร่นะักเออะอะไปอย่างนั้นเองไปหาข้าวให้กินกับแกงต้มโคลงที่เพชจัดร้อนจัดสักครู่ก็สากตอนนี้นอนหลับอย่างสบายอยู่ที่ม้านั่งยาวใต้ต้นมะม่วงใกล้ๆครัว น, นั่นเองตื่นขึ้นมาก็เห็นจะหมดเรื่องนี่คือพี่ชายของพลอยนะคะดูเหมือนว่าผู้ชายในบ้านนี้แทบจะหาดีไม่ได้เลย พลมาอยู่ที่บ้านประมาณสักเจ็ดแปดวันโดยที่ไม่ได้พบปะกับคุณอุ่นอีกเลยหลังจากที่ไปกราบในวันแรกนะคะคือแม้แต่ซุ่มเสียงก็ไม่ได้ยินเพราะว่าคุณอุ่นจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องถ้าจะออกมาจากห้องก็คงจะเป็นเวลาที่พลอยไม่เห็นตอนแรกๆพลอยก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่จ ะ, ะให้ทําเนี่ยหลายอย่างแต่ต่อมาพลอยก็เริ่มอึอดอัด เพราะความรู้สึกที่ว่ามีอีกคนหนึ่งในบ้านที่ยังปฏิเสธไม่ยอมรับตนให้เข้าในครอบครัวนั้นทาให้พลอยต้องหวาดะดุ่งอยู่เสมอยิ่งหลายวันเข้าก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาคอยกดดันไว้ไม่ให้รู้สึกสบายใจได้คุณอุ่นกลายเป็นอิทธิพลมืดที่น่าสะเพงกลัวสาหรับพลอยขณะที่อยู่บ้านที่มืดและน่ากลัวก็เพราะพลอยไม่ได้เห็นตัวคุณอุ่น แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณอุ่นกำลังจะทำอะไรกับตนหรือจะรู้สึกอย่างไรคนในบ้านตั้งแต่เจ้าคุณพ่อลงมาก็ไม่มีใครยอมพูดถึงคุณอุ่นกับพลอยเลยถ้าพูดกันอยู่ในเรื่องใดที่พอจะวกเข้าหาคุณอุ่นทุกคนก็มักจะเปลี่ยนเรื่องเสียเสมอเหมือนกับคุณอุ่นเนี่ยประมาณหลอดวูดมอร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์มั้งคะคนที่คุณก็รู้ว่าใครแม้แต่จะเอ่ยชื่อยังไม่อยากจะเอ่ยชื่อ แต่ในที่สุดคะ่ะสิ่งที่พลอยกลัวจากคุณอุ่นเนี่ยก็เริ่มสำแดงเดชนั่นก็คือเริ่มมีปฏิกิริยาจากคนในบ้านนะคะเริ่มจากหวานน้องสาวคนเล็กซึ่งตอนที่พลอยมาค้างบ้านใหม่ๆเนี่ยหวานก็รู้สึกนิยมเลื่มใสในตัวพลอยมักจะมาหาพลอยถึงในห้องแล้วก็ติดพลอยนะคะไปไหนก็ไปด้วยพลอยเองก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องสาวคนนี้แต่ตอนท้ายหวานเริ่มห่างไป ไม่มาหาหรือว่าติดตามอย่างแต่ก่อนถึงแม้จะพบกันซึ่งซึ่งหน้าก็พูดด้วยคำสองคาอย่างเสียไม่ได้แล้วก็รีบหลบไปทางอื่นส่วนข้าวของเสื้อผ้าที่พลอยให้นั้นตอนแรกๆหวานก็ใส่แต่ตอนท้ายก็กลับมาใส่เสื้อผ้าเก่าๆเหมือนเดิมพลอยสังเกตอาการกิริยาของหวานก็รู้ว่าเด็กไม่ได้รังเกียจไม่ได้เกลียดตนนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะกลัวอะไรอยู่สักอย่างนั่น วันหนึ่งพลอยนั่งอยู่กับคุณเชยสองต่อสองก็เลยปลารบถึงหวานว่าไม่เห็นหน้ามาหลายวันคุณเชยถอนใจแล้วก็บอกว่าแม่พลอยก็อย่าไปถือสาเด็กเลยธรรมดาของเด็กก็ต้องกลัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาห้ามอย่างไรก็ต้องทาอย่างนั้นเมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันก็กลัวเหมือนกันแม่พลอยจำได้ไหมเมื่อตอนที่เรายังเด็กเด็กแม่พลอยออกมาหาเจ้าคุณพ่อเรื่องโกนจุก แล้วฉันกับพ่อเพิ่มเข้าไปคุยด้วยคราวนั้นแหละฉันถูกตีเกือบตายนี่แหละวิดเดชคุณอุ่นนะคะพรอยได้ยินคุณเชยพูดก็เข้าใจในทันทีว่าหวานคงถูกคุณอุ่นห้ามไม่ให้มาติดต่อกับตนทําให้พรอยยิ่งนึกสงสารเด็กยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าอิทธิพลของคุณอุ่นไม่ได้หยุดยั้งแต่เพียงแค่นั้นนะคะอีกวันหนึ่งพรอยเดินไปที่เรือนคุณชิดกะว่าจะไปเล่นกับหลานๆพอไปถึง เห็นคุณชิดนอนเล่นอยู่ที่ระเบียงเรือนแล้วก็พวง ก, กําลังนั่งทำอะไรจุกจิกอยู่ที่ข้างๆบันไดพอพรอยก้าวขึ้นบันไดเรือนคุณชิดก็ทักขึ้นว่าอ้อแม่พรอยแล้วก็ลุกขึ้นเดินเข้าเรือนไปเฉยๆทิ้งให้พวงรับพรอยอยู่ที่ระเบียงคนเดียวแต่พรอยก็ยังไม่รู้ตัวนะคะหันไปถามพวงว่าแม่พวงและหลานอยู่ไหนพวงนั่งนิ่งไม่พูด เหนื่หน้ามองดูพลอยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักความขอบใจแล้วก็ทําตาแดงๆเหมือนกับจะร้องไห้แล้วก็รีบคลานหายเข้าเรือนไปอีกคนหนึ่งทิ้งให้พลอยนั่งงงอยู่ที่ระเบียงคนเดียวคราวนี้พลอยก็เริ่มเข้าใจละค่ะเริ่มเข้าใจว่าทั้งคุณชิดแล้วก็พวงก็คงจะถูกคุณอุ่นห้ามเป็นเด็ดขาดไม่ให้ติดต่อกับตอนอีกแบบเดียวกันนะคะเมื่อพลอยนําเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณเชยฟังคุณเชยก็ได้แต่ถอนใจ แม่พลอยก็ต้องอดทนเอาหน่อยนึกว่าเห็นแก่เจ้าคุณพ่อท่านเถอะอย่าเพิ่งรีบกลับอยู่ต่อไปอีกหน่อยใครเ้าไม่คบเราก็ช่างนึกว่าเราทำให้พ่อของเราสบายใจก็แล้วกันซึ่งอันที่จริงแล้วพลอยก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากที่สุดอยู่แล้วในการที่อยู่บ้านนี้นะคะอยู่บ้านนี้โดยที่คุณอุ่นเนี่ยไม่ยินดีต้อนรับแต่พลอยก็รู้ว่าการที่ตนมาค้างบ้านทาให้เจ้าคุณพ่อใจคอเบิกบานขึ้นมาก ตอนนี้เจ้าคุณพ่อมักจะส่งเสียงโวเราออยู่ไม่ขาดเวลาที่พูดกับพลอยกินข้าวได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าจะนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยตอนเช้าและตอนบ่ายเจ้าคุณพ่อก็กลับลงมาเดินเล่นตามปกติก็คือดูล่าเริงเบิกบานนะคะเมื่อเห็นผลอย่างนี้พลอยก็พร้อมที่จะอดทนต่อไปแต่ความอดทนของคนเรานั้นก็ย่อมจะมีที่สิ้นสุดละค่ะวันหนึ่ง นางพิษมาหาพลอยแล้วก็ถามขึ้นว่าคุณพลอยจะเข้าวังเมื่อไหร่มาอยู่นี่ได้ร่วมสิบวันแล้วฉันก็ว่าจะกลับเร็วๆนี้แหละพิษแต่คุณเชยขอให้อยู่ต่อไปอีกหน่อยพิษจะทําไมหรอบ่าวไม่ทําไมหรอกค่ะคุณพลอยแต่รีบกลับเสียในวันสองวันนี้ก็ดีอยู่ไปเพื่อดี๋ยวจะเกิดเรื่องเกิดเรื่องอะไรกันพิษ ฉันไม่เคยมีเรื่องกับใครสักหน่อยคุณไม่มีแต่บ่าวมีมากขึ้นทุกวันคุณรู้ไหมคะตอนนี้บ่าวต้องซื้อของเรือกินแล้วไม่อยากเข้าไปในครัวเพราะอีพวกคนบ้านนี้มันด่าให้ได้ยินทุกวันด่าใครพิษก็ไม่ได้ออกชื่อใครแต่บ่าวก็พอจะเดาออกถ้าขืนอยู่ต่อไปเป็นเกิดเรื่องวันหนึ่งนางพิษมันเกิดอดไม่ไหว ตอบมานั่งบ้านแล้วก็เฮได้สนุกกันใหญ่ละพรอยก็เลยต้องยอมจำนวนต่อเหตุผลของนางพิษเพราะว่าพอจะเดาออกว่าต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็คงจะรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างเบาวพรรของคุณอุ่นและนางพิษซึ่งตัวคนเดียว พรอยก็เลยไม่คิดจะขอร้องให้นางพิษอดทนต่อไปอย่างที่คุณเชยขอกับตนเพราะรู้ว่าจะไม่ได้ผลเพราะการที่นางพิษอดทนได้ถึงเพียงนี้ก็นับว่าดีหนักหนาอยู่แล้วคืนวันนั้นเองพรอยก็บอกกับคุณเชยว่าจะกลับเข้าวังในวันมะเรือนนี้และขอให้คุณเชยสั่งเรือและไปส่งให้ด้วย พลอยครานเข้าไปลาเจ้าคุณพ่อเพื่อกลับเข้าในวังต่อไปก็ดูเหมือนว่าเจ้าคุณพ่อจะรู้เรื่องดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าคุณพ่อก็มีได้ทักท้วงแต่อย่างดใดคล้ายๆกับจะเข้าใจเจ้าคุณพ่อกลับให้ศีลให้พรแล้วก็สั่งว่าเมื่อมีโอกาสให้กลับมาเยี่ยมบ้านอีกพลอยทูลเสด็จด้วยว่าพ่อกราบพระบาทขอบพระทยัยที่ทรงให้พลอยมาเยี่ยมบ้าน ทำให้พ่อสบายใจขึ้นมากเพราะได้เห็นแล้วว่าลูกของพ่อเติบโตขึ้นเป็นคนดีอย่างไรขอให้พลอยจงรักษาตัวให้ดีและอย่าลืมว่าเจ้าเป็นลูกพ่อมีชื่อเสียงของวงตระกูลที่จะต้องรักษา คุณพ่อหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งนะคะเหลือไปดูทางห้องคุณอุ่นแล้วก็พูดขึ้นเบาๆว่าพลอยกระเถิบเข้ามาใกล้ๆแล้วเจ้าคุณพ่อก็เปิดหีบใบหนึ่งที่วางอยู่ใกล้ๆตัวหยิบสายสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งยื่นให้พลอยสายสร้อ ย, ยทองสามสีพ่อเห็นชาววางสมัยนี้เขาชอบใส่กันนะ ก็เลยซื้อเอาไว้ให้พลอยแต่อย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวนี้เก็บไว้เข้าวังแล้วจึงใส่เจ้คุณพ่อลดเสียงเหมือนกับกลัวใครจะได้ยินนะคะแถมยังมีการสั่งบอกว่าอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้อีกต่างหากก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าเจ้าคุณพ่อนั้นเกรงใจลูกสาวคนโตเป็นนักเป็นหนานะคะทําให้พลอย ก้มลงกราบด้วยความรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็เศร้าใจระคนกันเพราะท่าทีของเจ้าคุณพ่อนั้นบอกอะไรหลายอย่างอย่างแรกบอกว่าท่านยังคงรักแล้วก็เมตตาปรานีพลอยแต่ความเกรงใจคุณอุ่นก็ยังคงมีอยู่ในเจ้าคุณพ่อแล้วก็มีอยู่เยอะซะด้วยนะคะทําให้การแสดงความรักการเห็นอกเห็นใจแม้แต่การจะให้ข้าวของพรอย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่พ่อจะให้ข้าวของลูกก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องซ่อนเร้นแล้วก็ปิดบังก่อนที่จะลงเรือกลับในตอนเช้าพรอยก็ชวนคุณเฉยเข้าไปลาคุณอุ่นตามประเบียบคราวนี้คุณเฉยไม่ได้ทับทานอะไรแต่พูดทีเล่นทีจริงว่าไปก็ไปแต่ถ้าเธอแหวขึ้นมาเราคอยวิ่งหนีลงเรือกันให้ทันก็นแล้วกันนะพรอย แต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณเฉยพูดนะคะเพราะว่าคุณอุนนั้นนั่งเหมินน้าง น, นิ่งเหมือนกับว่านั่งอยู่คนเดียวไม่รับรู้รับเห็นกับการที่พลอยเข้าไปหลาเหมือนกับพลอยไม่มีตัวตนแต่พลอยก็ทาตามหน้าที่ทาตามมารยาทพอลาคุณอุ่นเสร็จเรียบร้อยพลอยก็ก้าวเท้าลงเรือด้วยความโล่งใจ นั่งพิดซึ่งนั่งอยู่ข้างท้ายเรือแล้วก็นั่งรอในเรืออยู่แล้วนะคะกระโว น, น้ำหมากแล้วก็ขากถมลงไปในน้ำหน้าบ้านอย่างแรงในขณะที่เรือเนี่ยกาลังจะบ่ายหน้าออกจากบ้านแล้วก็บน่นเป็นการรำพึงรำพันนะถึงชีวิตช่วงหนึ่งที่ได้เคยอยู่ที่นี่แล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมที่นี่ว่าสิ้นเวรสิ้นกรรมกันไปครั้งหนึ่ง แล้ววันหลังเธอแม่จะกลับมาใหม่คราวหน้าแล้วก็เพนได้เห็นดีกันละคุณเชยได้ยินนางพิษพูดหันมาสบตาพรอยแล้วก็อมยิ้มเหมือนกับรู้กันดีส่วนพ่อเพิ่มก็ถามว่าบนอะไรพิษเปล้าคุณเพิ่มฉันให้พรคนในบ้านบางคนให้เขาเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองอืม ใช้ได้พอนางพิษเห็นจะเจริญแน่แนๆเจ้าค้าพอนของบ่าวไม่เคยพลาดละปากกินเกลือปราร้าอย่างนี้ละให้พรจำเริญดีนะคือพ่อเพิ่มไปด้วยนะคะคือพ่อเพิ่มเนี่ยอาศัยเรือข้ามฟากนะคะก็เลยขอไปกับพลอยด้วยในขณะที่นั่งเรือพ่อเพิ่ม ก็เปิดฉากการสนทนาโดยถามพลอยว่าออกไปไท้ายวังบ่อยไหมซึ่งพลอยก็งงเป็นอันมากว่าถามทําไมนึกว่าออกมาบ่อยๆฉันจะได้ไปคอยพบแม่พลอยไงคุณเชยก็สงสัยเหมือนกันนะคะก็แต่ก่อนจะไปพบเมื่อไหร่ก็ได้ทําไมถึงต้องมาถามล่ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกคุณเชยเพื่อนรักของฉันคนหนึ่ง เขาอยากจะรู้จักแม่พลอยเผื่อบางทีพบกันฉันจะได้พาเขามาพบจะได้รู้จักกันเอาไว้นางพิษก็ร้องขึ้นว่าห่ามาละสิในขณะที่บุ่เชยก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เอาจริงเอาจังว่าพ่อเพิ่มใครจะเป็นเพื่อนฝูงของพ่อเพิ่มฉันไม่รู้ด้วยนะแต่พ่อเพิ่มจะมาทาอย่างนั้นไม่ได้ แม่พลอยไม่ใช่น้องสาวของพ่อเพิ่มคนเดียวแต่เป็นน้องสาวของฉันเหมือนกันถ้าพ่อเพิ่มจะทำอย่างนั้นก็ต้องเกิดเรื่องกับฉันก่อนระวังตัวให้ดีฉันไม่ยอมคนง่ายๆหรอกนะมีอย่างเหรอน้องเป็นสาวเป็นนางจะพาผู้ชายมาพบยังกระดูเป็ดดูไก่ จริงๆและคุณเชยกับพ่อเพิ่มนี่ก็มีความสัมพันธ์อันดีนะคะอาจจะดียิ่งกว่าคุณเชยกับคุณชิดซึ่งเป็นพี่น้องท้องเดียวกันซะอีกแต่พ่อเพิ่มนั้นก็เป็นคนที่ต้องคอยปรามกันอยู่บ่อยๆยังไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่และเวลาที่คุณเชยเอาจริงพ่อเพิ่มก็ต้องเกรงละคะ่ะคราวนี้พ่อเพิ่มก็ผิดด้วยเหตุผลจริงๆนะคะก็นิ่ง นั่งหันหน้ามองออกไปนอกเรือแล้วก็ไม่ได้ปริปากพูดว่าอะไรอีกจนกระทั่งเรือเนี่ยเข้าจอดเทียบที่ท่าพระเมื่อไปถึงตำหนักหลังจากที่ได้ขึ้นตปเฝ้าเสด็จแล้วสิ่งแรกที่พลอยทําก็คือชุดข้อมือช้อยไปมุมห้องแล้วก็กระซิบถามว่ามีข่าวอะไรบ้างหรือเปล่าช้อย ข่าวอะไรกันโท่ชอยชอยก็รู้ดีอยู่แล้วถามได้พรอยพ้อขึ้นอย่างรำคาญที่ชอยชอบล้อเลียนไม่รู้จักหยุดหยอด่อนแน่นอนนะคะข่าวอะไรบ้างของพรอยก็คือข่าวของพี่เนื่องนั่นเองเพราะว่าระหว่างที่อยู่บ้านสิบกว่าวันพรอยได้แต่นั่งคิดนอนคิดนะคะคิดถึงแต่พี่นื่งไม่มีเวลาที่จะลืมได้การตัดสินใจเข้าวัง เพราะว่าในวังเป็นที่ที่เดียวที่พลอยจะได้รับการติดต่อจากพี่เนื่องพลอยก็เลยไม่ได้รีรออยู่ที่บ้านจนนานเกินควรเพราะใจนั้นอยากจะรู้ข่าวพี่เนื่องข่าวคราวที่คอยฟังก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นหนังสือหรือว่าเป็นจดหมายบางทีก็เป็นข่าวที่สั่งมาถึงกันด้วยปากบางทีก็เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆที่พี่เนื่องฝากมาให้ หรือแม้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับพี่เนืองที่ชอยจะยินมาจากบ้านแล้วก็เก็บมาเล่าให้ฟังแค่นี้ก็ทำให้พลอยพอใจไปได้นานแต่ครั้งสุดท้ายที่พลอยได้ยินข่าวก็รวมสองเดือนมาแล้วพลอยก็เลยได้แต่ภาวนาระหว่างออกไปค้างบ้านว่ากลับมาถึงวังคราวนี้น่าจะได้ข่าวคราวของพี่เนืองบ้างอ๋อข่าวคราวจากนกครสวรรค์น่เหรอ เอฉันก็เห็นเขาเงียบหายไปนานนะระหว่างที่แม่พลอยไม่อยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรแต่บางทีอีกสองสามวันจะได้ข่าวบ้างละมั้งเห็นแม่ให้คนเข้ามาบอกคุณอาว่าวันมะรืนจะมาหาแล้วก็สั่งให้ฉันรออยู่ที่ตําหนักอย่าไปไหนซะเรากับว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะไปไหนรอดอย่างนั้นล่ะจริงๆเหรอช้อยแปลกจริง ฉันไม่เคยเห็นพี่เนื่องเงียบไปนานอย่างนี้เลยนะหรือบางทีจะเจ็บไข้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าอืมแต่ฉันว่าก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนะพลอยหัวเมืองที่พี่เนื่องไปอยู่ก็ใช่ว่าจะอยู่ใกล้ๆคราวนี้ถ้าไม่มีใครเขาจะมากรุงเทพ ก็คงจะส่งข่าวไปมาหากันลําบากอย่า ก, กังวลไปเลยพลอยถ้าพี่เนื่องเป็นอะไรไปจริงๆป่นนี้เราก็คงจะรู้แล้วละ่ะอดใจอีกสองวันก็คงจะได้ข่าวเมื่อนนี้แม่เข้ามาในวังฉันจะลองถามดูชลอยก็พยายามพูดปลอบเอาใจแต่พรอยก็ยังไม่วายห่วงเป็นห่วงว่าพี่เนื่องเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็ไปอยู่หัวเมืองไกลจาก เมืองหลวงซะขนาดนั้นทำให้พลอยนึกวิตกแล้วก็นึกว้าเวในใจชอบกลนในช่วงเวลาสองสาวันแรกที่กลับเข้าวังพลอยมีเรื่องที่จะต้องทำมากนะคะเหมือนกับออกไปพักร้อนแล้วก็กลับมาทำงานอีกครั้งก็มีเรื่องที่จะต้องสะสางอยู่เยอะอย่างเช่นเวลาที่ขึ้นเฝ้าเสด็จก็ดูจะนานกว่าปกติ เพราะว่าพลอยหายหน้าไปนานสเสด็จ ก, ก็รับสั่งถามทุกสุขแล้วก็ให้พลอยเล่าเรื่องทางบ้านแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่ได้พบเห็นนอกวังถวายอย่างละเอียดนอกจากนั้นพลอยก็ยังต้องใช้เวลาพบปะพูดจา ก, กับคนรู้จักชอบพอที่มาเยี่ยมมาถามขา่าวคราวแล้วก็ใช้เวลาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนที่รู้จักตามตำหนักแล้วก็เรือนต่างๆนี่คือชีวิตของชาววังนะคะชีวิตที่พลอยเคยชิน เหมือนกับว่าโลกมนุษย์นั้นอยู่ในวังทั้งสิ้นไม่เคยรู้สึกคับแค้นอึดอัดหรือรู้สึกว่าอยู่ในวงล้อมแต่หลังจากที่พลอยได้ไปอยู่บ้าน1ิบกว่าวันและกลับเข้าวังอีกครั้งพลอยก็เริ่มรู้สึกเห็นสิ่งต่างๆที่กีดกั้นอยู่อย่างเช่นกำแพงวังทั้งชั้นนอกชั้นในโขนจ่าที่เฝ้าเวียามประแวดระวังตลอดจนระเบียบจุกจิกต่างๆ และเมื่อถึงเวลา ย, ย่ำคำ่ำก็มีเสียงคนลากโซ่ล่ามมาปิดประตูวังชั้นในไม่ให้คนเข้าออกสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พลอยใจแห้งลงไปอย่างอธิบายไม่ถูกเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยได้ออกไปใช้ชีวิตนอกวังนะคะครั้นแล้ววันมะรืนก็มาถึงค่ะวันนั้น แม่ฉันก็เข้ามาในวังจริงๆประจวบกับเวลาที่พลอยกําลังนั่งกินข้าวอยู่กับช้อยแล้วก็คุณสายแม่ชันหอบข้าวของมามากมายใส่ตะกร้าบ้างฉลอมเล็กฉลอมน้อยบ้างทําให้พลอยใจชื้นเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสัญญาณให้พลอยรู้ว่ามีของมาจากหัวเมืองและของมาจากหัวเมืองนั้นก็น่าจะหมายถึงพี่เนื่องแล้วก็ข่าวคราวจากพี่เนื่อง สิ่งที่พลอยเฝ้าคอยก็คงจะได้รับในวันนี้ไม่ผิดหวังและบางทีอาจจะมีหนังสือจากพี่เนื่องถึงพลอยโดยตรงฝากมาทางชอยบ้างก็ได้คุณสายพอเห็นแม่ชั้นก็ร้องทักขึ้นว่าอ้าวแม่ชั้นมาพอดีกินข้าวเสียด้วยกันเถอะชั้นก็เริ่มจะลงมือเดี๋ยวนี้เอง ไม่ต้องรอกแม่สายฉันแวะกินขนมจีนน้ำพริกเกรที่หน้าประตูวังแล้วเห็นของเขาหน้ากินนานๆจะได้กินของหาบสักทีเลยกินซะใหญ่หเดินซะเหนื่อยวันนี้นี่มันช่างร้อนจริงๆงั้นก็รูปตัวทานน้ำอบซะก่อนสิแล้วจะได้คุยกันให้สบายน้ำทาก็มีแม่ฉั้นก็เลยช่วยขันล้างหน้าออกไปรูปตัวที่ด้านหลังตาหนัก ระหว่างนั้นนะคะพลอยก็นั่งกินข้าวต่อไปนานๆก็ชำเลืองมองดูชลองต่างๆที่แม่ชั้นวางไว้เพราะแน่ใจว่าของเหล่านั้นเนี่ต้องมาจากพี่เนื่องของที่มาจากพี่เนื่องกิงเป็นของที่มีค่ามากสำหรับพลอยผู้ซึ่งกำลังคิดถึงพี่เนื่องอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนตามธรรมดาทุกวันเมื่อพลอยกินข้าวเสร็จแล้ว ก็มักจะกลับขึ้นไปฝอกเสด็จบนตำหนักหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ออกไปทำธุระหรือว่าไปเที่ยวหาคนรู้จักแต่วันนี้พอกินข้าวเสร็จพลอยก็ยังไม่ออกจากห้องยังคงอ้อยอิงทำโน่นทำนี่อย่างไม่มีความหมายอยู่แถวแถวนั้นนะคะในใจเนี่ยก็รอฟังข่าวจากแม่ฉันว่าจะมีอะไรมาจากพี่เนื่องบ้างฝ่ายแม่ชันพอลูบเนื้อลูบตัวเสร็จทาน้ําอกประแป้งในห้องนะคะ ปากก็พร่ำบ่นถึงความร้อนของอากาศในเวลากลางวันน้ำอบขวดนี้ฉันหอมดีจริงๆใครอบนะพลอยเขาอบไว้แต่เมื่อก่อนเข้าไปบ้านฉันเห็นของเขาหอมดีก็เลยขอแบ่งเอาไว้ใช้น้ำปรุงก็มีนะที่ข้างๆพานหวีนั่นล่ละของเขาก็หอมดีอีกเหมือนกันฮ่าแมฉันถอนใจใหญ่ แม่พลอยจะทำอะไรก็เก่งไปทุกอย่างอย่างนี้ถ้าเป็นลูกเป็นเต้าก็เห็นจะตายตาหลับไม่ต้องห่วงคนมีความรู้มีฝีมืออย่างนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้รอกคอยดูไปเถอะจริงๆแล้วก็เป็นคําชมนะคะแต่ก็ออกจะแป่งหูแต่ว่าพลอยก็มีได้เฉลียวใจหยิบเอากระด้งจีบพลูของคุณสายมาวางไว้ตรงหน้า ตั้งใจว่าจะจีบพลูสวยไปพรางแล้วก็ฟังแม่ชั้นเล่าเรื่องของพี่เนื่องไปพรางแต่พลอยก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าเมื่อแม่ชั้นทานน้าอบแล้วก็ประแป้งเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็พูดกับคุณสาย <c oughs> เป็นธํานองว่าอยากจะคุยกันเป็นการส่วนตัว <c oughs> ฉันมาวันนี้ตั้งใจจะมาปรึกษาแม่สายเรื่องธุระสักหน่อย มีธุระอะไรก็ว่าไปสิแม่ชั้นคุณสายพูดแต่แม่ชั้นเหลียวดูช้อยแล้วก็เหลียวมามองพลอยธุระก็ไม่รีบตรวจอะไรนักดอกแม่สายว่างกค่อยพูดกันก็ได้แล้วแม่ชั้นก็หยิบหมอนมาใบหนึ่งเอ็นตัวลงนอนพังภาพเอาข้อศอกเนี่ยเท้าบนหมอนแล้วก็กระดิกเท้าเล่นเป็นจังหวะไม่พูดจาว่าอะไรเหมือนกับจะรอเวลาว่างให้มาถึง จะได้พูดทุระกับคุณสายต่อไปนะคะคุณสายก็คงจะรู้ได้ละคะ่ะว่ากิริยาอาการของแม่ชันเนี่ยบ่งบอกว่ากิจทุระที่จะพูดกันนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันสองต่อสองคุณสายก็เลยพูดขึ้นเลยลอยว่า<ม>เออ วันนี้จะมีใครอยู่บนตำหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้ช้อยกับพลอยขึ้นไปเฝ้าเสด็จข้างบนไปเย็นๆค่อยกลับลงมาถ้ารับสั่งถามถึงป้าก็ทูลด้วยละ่ะว่าวันนี้ป้ามีธุระทางบ้านคำแล้วจึงจะขึ้นไปเฝ้าพลอยก็ต้องวางมือจากพลูนะคะแล้วก็จัดแจงเตรียมตัวจะขึ้นบนตำหนักทางที่ใจนั้นไม่อยากจะออกจากห้องเลย ส่วนชอยก็ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเมื่อทั้งคู่เดินออกมาจากห้องจนลับตัวแล้วนะคะชอยก็บอกว่า oo, ลึกลับจริงถ้าจะมีอะไรที่เขาไม่อยากให้เรารู้กระมังช้อยเรื่องของผู้ใหญ่เป็นอย่างนั้นเสมอละพรอยเคยสังเกตบ้างหรือเปล่า เวลาผู้ใหญ่ไม่อยากให้เรารู้เรื่องอะไรเรื่องนั้นมักจะเกี่ยวกับตัวเราทุกทีไปฉันไดเห็นมาหลายหนแล้วคงไม่จริงหรอกฉันยังมองไม่เห็นเลยว่าคราวนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับเราได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้ไปทาอะไรที่ไหนใครจะไปรู้คอยดูเถอะถ้าไม่ใช่เรื่องของแม่พลอยก็ต้องเป็นเรื่องของฉันไอฉันนี่มันคนแปลกยิ่งกว่าใครฮหญิงใครไม่อยากให้รู้เรื่องอะไร ฉันยิ่งอยากรู้เสียจริงๆคอยดูนะเรื่องธุระของแม่วันนี้ฉันจะรู้เรื่องให้ได้ปิดฉันไม่มิดหรอกพรอยขึ้นไปเฝ้ารับใช้เสด็จคนเดียวนะฉันไม่ไปละ่ะฉันจะไปเที่ยวที่แถวเตงค่อยพบแม่ก่อนที่จะออกประตูฉันจะซักเอาความให้ได้แม่แกไม่กล้าปิดฉันบล็อกเจ้าชอยก็ปล่อยมือพรอยฮันหลังกลับเดินออกจากตำหนักไป ไม่คอยให้พรอยได้ห้ามปรามทักท้วงแต่อย่างใดวันนั้นสเสด็จประทับอยู่ณนะที่ที่เคยประทับเป็นประจำบ น, บนบระเบียงตำหนักแล้วก็มีข้าหลวงเฝ้าอยู่เพียงคนเดียว คือเป็นวันที่มีคนขึ้นเฝ้าน้อยพอทอดพระเนตรเห็นพลอยสเสด็จก็รับสั่งว่าข้านึกแล้วว่าจะต้องเป็นนางพลอยที่ยังเป็นห่วงค่าอยู่ดูสิคนอื่นๆก็หายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้คุณป้าให้ทูลว่าวันนี้ติดธุระทางบ้านค่ำวันนี้ถิงจะขึ้นมาเฝ้ามังคะชะ่ ธุระปะ่ปังของนางสายมันมากขึ้นทุกวันเจ้ารู้ไหมมันมีธุระอะไรของมันไม่ทราบมังคะเห็นแม่ชันเข้ามาจากบ้านบอกว่ามีธุระจะปรึกษาก็ อ, อย่างนั้นน่ะสิญาติโยมของเขามันมากเหลือเกินเดี๋ยวคนโน้นจะเอานี่คนนี้จะเอานั่นนางสายก็ทำท่าเป็นคุณในวังเที่ยวเป็นหัวเรือใหญ่ไปทั่วตามเรื่องของมันข้าไม่อยากจะเอาใจใส่ ในขณะนั้นสเสด็จกำลังทรงเลือกภาพถ่ายต่างๆที่วางเป็นกองโตอยู่ข้างๆที่ประทับ พ, พรอยตาดีๆมาช่วยข้าเลือ ก, กรูปหน่อยเลือกเอารูปดีๆให้ได้ขนาดเหมาะข้าจะให้เขาติดใส่ในฉากพรอยก็เข้าไปหมอบแล้วก็ช่วยเลือกภาพถ่ายต่างๆเป็นเวลานานนะคะภาพเหล่านั้นก็เป็นภาพเก่าบ้างใหม่บ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเจ้าในายในวัง เป็นภาพตั้งแต่ยังทรงพระยาวอยู่ก็มีเจริญพระชนส่าแล้วก็มีบางพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วก็มีสเสด็จก็ทรงเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเจ้านายพระองค์นั้นๆให้พลอยฟังไปด้วยนะคะตลอดจนเรื่องอื่นๆที่พลอยเกิดไม่ทันได้รู้ได้เห็นอีกเป็นอันมากจริงๆแล้วการรับใช้สเสด็จก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเหมือนได้เรียนหนังสือไปในตัวนะเหมือนก็เป็นการเรียนประวัติศาสตร์อืม พระว่าเสด็จก็จะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้คือจะบอกว่าก่อนสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่เชิงนะคะเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติมากกว่าเนาะทีนี้พลอยเนี่ยก็เฝ้าเสด็จอยู่จนกระทั่งบ่ายข้าหลวงค น, น, นอื่นๆก็ค่อยๆพากันขึ้นมาบนตำหนักทีละคนสองคนจนกระทั่งพลอยเห็นว่ามีคนอยู่พอสมควรก็ค่อยๆเลี่ยงกลับลงมาข้างล่างนึกในใจว่าขอให้แม่ชั้นอย่าพึ่งกลับ เพราะว่าเมื่อแม่ชั้นคุยธุระส่วนตัวกับคุณสายเสร็จแล้วบางทีอาจจะเล่าเรื่องพี่เนื่องให้พลอยได้ยินบ้างนะคะพลอยก็รีบลงบันไดตำหนักแล้วก็กลับเข้าห้องทันทีแต่พลอยก็ต้องผิดหวังค่ะเพราะว่าในห้องนั้นมีแต่คุณสายนั่งจีบพรูอยู่คนเดียวพอพลอยเข้าไปในห้องไม่เห็นแม่ชั้น ก็ถามคุณสายว่าแม่ฉันไปไหนเสียละคะคุณป้าเขากลับบ้านแล้วเห็นว่ามีธุระจะต้องรีบไปทำพลอยก็งงเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าวันนี้คนมีธุระกันมากเสียจริงๆพรพลอยก็เดินไปนั่งที่ตู้เสื้อผ้าหยิบ พ, พ้านุ่งผ้าห่มออกมาดูอย่างไม่มีความหมายแล้วก็ตั้งใจว่าอีกประเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเพราะว่าไม่มีอะไรทำ ความคิดถึงพี่เนื่องที่เริ่มมีมากขึ้นนั้นก็ยิ่งเพิ่มอัตราทวีขึ้นอย่างรุนแรงคืออยากจะรู้แต่ก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรนะครับสงสัยแปลกและอยู่ๆคุณสายก็ถามขึ้นว่าพลอยพลอยรักแม่ชันมากไม่ใช่หรือพลอยหันไปมองคุณสาย ก็เห็นคุณสายนั่งก้มหน้าจีบพลูอยู่เรื่อยๆถามแบบไม่เงยหน้าขึ้นมาสบตาก็รักมากคะ่ะเหมือนกับเป็นพี่ป้านะอาจริงๆเพราะฉันรู้จักแม่ฉันมาตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กๆคุณป้าถามทำไมล่ะคะร้าป้าถามดูอย่างงั้นเองเพราะแม่ฉันเขาพูดว่าเขารักพลอยเหมือนลูกเขากลัวว่าต่อไปพลอยจะห่างเหินไปแลวเขาจะต้องเสียใจมาก ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องห่างเหินนี่คะรู้จักกันมานานตั้งหลายปีก็ไม่เห็นมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันแล้วฉันก็อยู่กับคุณป้าทำไมจะต้องกลัวไปอย่างนั้นด้วยเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละพลอยอย่าไปถือสาแก่เลยแหมฉันแกเป็นคนรักใครก็รักเสียจริงๆสุดสวาดขาดใจรักมากแกก็คิดมากคิดมากแล้วปากก็พูดไป ป้าก็บอกเข้าไปแล้วบอกพลอยเนี่ยเป็นคนใจคอมั่นคงเห็นว่าน่าจะไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกคุณสายพูดไปก็ก้มหน้าก้มตาจีบพลูนะคะคำพูดของคุณสายยิ่งทำให้พลอยฉะงนสนเทหนักขึ้นไปอีกพออ้าปากจะถามชอยก็โผล่เข้ามาในห้องพอดี พอพลอยเห็นหน้าช้อยก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าช้อยหัวยุ่งหน้าเป็นมันเกินกว่าธรรมดาขอบตาก็บวมแดงเหมือนกับไปแอบร้องไห้มาใหม่ๆพอสบตากันช้อยก็หลบสายตาพลอยรีบเดินไปนั่งที่เช่นหมากแล้วก็หยิบหมากเข้าปากเคี้ยวกลุ้มกลมเหมือนกับว่าหมากคำนั้น เป็นศัตรูตัวร้ายที่จะต้องทำลายเสียให้เหลวแหลกไปโดยเร็วไปไหนมาใหญ่ช้อยไปแถวเต้งเอ๊ะนี่พูดกันดีๆไม่ได้แล้วหรื อ, อยังไงหนักมือขึ้นทุกวันฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะวันนี้ไม่มีใครก็ฉันนัดเขาไว้ว่า จะไปดูผ้าตัดเสื้อที่แถวเตงฉันเห็นพลอยเขาขึ้นไปแล้วฉันก็เลยไม่ขึ้นไปดีจริงแม่คุณเดี๋ยวนี้แม่ช่างใหญ่โตเสียเหลือเกินนึกจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวพูดหลักผู้ใหญ่กลายเป็นหัวหลักหัวตอพูดจาอะไรก็ไม่ต้องฟังกันอีกต่อไปพวกหล่อนหายหน้ากันไปหมดสเสด็จท่านก็มากริ้วเอาฉันทุกทีมีธุระป่าปังจะไหว้วานกันก็ไม่ได้ซะแล้ว มีอย่างหรือบอกให้ขึ้นไปอยู่กับสเสด็จกลับไปดูผ้าตัดเสื้อเสียที่แถวเต็งโทคุณอาก็ชอยพูดอย่างแค้นใจแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้น้ำตาร่วงเป็นเม็ดโตโตราวกับว่าเป็นเด็กคุณสายเห็นชอยร้องไห้ก็นิ่ง ไม่ดูต่อไปแล้วก็เพ่งดูชอยที่นั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามด้วยน้ําเสียงเป็นปกติว่าชอยได้พบแม่หรือเปล่าก่อนที่แม่จะกลับบ้านชอยก็บอกว่าได้พบประเดี๋ยวหนึ่งก่อนที่แม่จะออกประตูมีหน้าละ่ะคุณสายพูดอย่างเข้าใจไปล้างหน้าสิไปคุณสายก็พูดตัดบทเอาเฉยๆเหมือนกับจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด เป็นสาเหตุที่ทําให้ชอยเนี่ยอารมณ์เสียแล้วก็ร้องไห้พรอยนั้นหมึนตึบนะคะนึกไม่ถึงว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถึงทําให้ชอยเนี่ยร้องห่มร้องไห้ได้ถึงเพียงนี้จะว่าชอยร้องไห้เพราะถูกคุณสายดุก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าชอยกับคุณสายนั้นมีเรื่องต้องดุต้องว่ากันอยู่ทุกวันเป็นปกติและที่เห็นดูเหมือนว่าชอย จะได้ร้องไห้มาแล้วก่อนที่จะเข้ามาในห้องพรอยก็เลยสันนิษฐานว่าธุระที่แม่ชันต้องการจะพูดกับคุณสายสองต่อสองนั้นน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชอยร้องไห้ซึ่งชอยก็คงจะไปเคี่ยวเข็นถามความจริงจากแม่มาจนได้และความจริงนั้นคงไม่เป็นที่ศบอารมณ์ของช้อยเป็นอย่างมากชอยนั้นเป็นคนที่ซ่อนความรู้สึกไม่เป็น ถ้ามีสิ่งใดมากระทบอารมณ์แม้แต่น้อยชอยก็จะโพร่งออกมามากเกินกว่าเหตุพรอยรู้จักนิสัยของชอยดีพรอยจึงไม่ได้คาดหมายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนักหนาก็คิดว่าคงเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในครอบครวัวคือคิดว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองคิดว่าเมื่อมีโอกาสค่อยถามชอยดูทีหลัง เพื่อพูดจะปลอบโยนให้ช้อยคลายความรู้สึกที่รุนแรงลงซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่พลอยต้องคอยทำอยู่เสมอในฐานะเพื่อนรักกันทีนี้พอถึงตอนค่ำคุณสายขึ้นไปเฝ้าเสด็จปล่อยให้พลอยและก็ช้อยอยู่ในห้องตามลำพังสองต่อสองพลอยเห็นช้อยยังมีอารมณ์ไม่ดีทำเฉยเมยไม่พูดจาเล่นหัวตามปกติก็ถามขึ้นว่า ชอยเป็นอะไรไปมีเรื่องอะไรหรือเปล่ารู้มใจกรุ้มใจเรื่องอะไรเฮ่าฉันพูดไม่ถูกหลออพลอยพลอยก็กระเถิบเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วก็บอกว่าชอยเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กมีเรื่องราวอะไรก็ไม่เคยติดบังกันฉันรักชอยเหมือนญาติ เห็นช้อยมีทุกข์ฉันก็ไม่สบายใจยิ่งไม่รู้เรื่องก็ยิ่งไม่สบายใจหนักขึ้นช้อยจะไปเก็บความกรุ้มใจเอาไว้ทําไมสารทุกข์สุขดิบต่างๆเราก็เคยพบเคยเห็นมาด้วยกันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วทําไมช้อยจะต้องมาปิดบังฉันเฉพาะแต่เรื่องนี้ช้อยบอกฉันหน่อยเถอะเผื่อว่าฉันจะมีทางช่วยเหลือให้ช้อยหายกลุ้มได้หรือถึงจะไม่มี ก็ยังดีกว่าที่ชอยจะเก็บความทุกข์เอาไว้คนเดียวในระหว่างที่พลอยพูดชอยก็นั่งจ้องหน้าพลอยอย่างไม่วางตาโดยมีน้ำตาเนี่ยมาครออยู่เต็มเมื่อพลอยพูดจบชอยก็บอกว่าแม่พลอยที่แม่พลอยพูดมานั้นมันก็จริงทุกอย่างฉันมีเรื่องอะไรฉันก็ไม่เคยปิดบังแม่พลอยเลย เป็นความสัตย์จริงแต่เรื่องที่แล้วแล้วมามันเป็นเรื่องที่เราพูดกันได้แต่เรื่องนี้เรื่องนี้ฉันพูดไม่ได้จริงๆถึงอยากจะพูดฉันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกแล้วชอยก็ก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นเมื่อพลอยเห็นชอยร้องไห้หนักขึ้นก็ยิ่งสงสารแล้วก็วิตกเ พ, พราะพลอยคิดได้ว่า ต, ตอนแรกพลอยคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ชอยร้องไห้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆภายในครอบครบัวตามปราษาช้อยที่ เ, เป็นคนดรามา่าเล็กๆ <c ười> คือเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่เป็นนะแต่ตอนนี้มันมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วลหละคำพูดของช้อยทำให้พลอยเข้าใจได้ว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องใหญ่เอาการอยู่ทีเดียว พลอยก็นั่งนิ่งๆปล่อยให้ชอยร้องไห้อยู่คนเดียวสักครู่หนึ่งแล้วก็ถามใหม่บอกกับฉันเสถอะช้อยเรื่องมันจะยากจะง่ายอย่างไรเราก็พูดกันได้ชอยอย่าปิดบังฉันเลยฉันพลอยเป็นทุกข์ด้วยเต็มทีแล้วชอยก็ไม่ตอบยังคงนั่งร้องไห้ต่อไปอีกสักครู่หนึ่งพลอยเห็นอกเห็นใจฉันบ้างเถอะ ฉันเป็นทุกข์เสียใจจะขาดตาอยู่แล้วนะทุกบางเรื่องมันก็แบ่งได้แต่ทุกเรื่องนี้ฉันไม่อยากจะเก็บเอาไว้เสียคนเดียวไม่อยากจะให้ถึงพลอยเลยแต่ยังไงยังไงพลอยก็คงจะต้องรู้เองสักวันหนึ่งฉันรู้จักชอบพอกับพลอยมาก็นานแล้วแต่คราวนี้ฉันอยากจะขออะไรพลอยสักอย่างหนึง่งฉันขอให้พลอยพยายามทำใจให้แข็งไว้ อย่ากโกรธอย่าเสียใจอย่าน้อยใจขอให้พลอยพยายามอดทนทุกอย่างที่ฉันบอกให้จะได้ไหมถ้าพลอยรับปากกับฉันฉันถึงจะบอกพลอยบอกมาเถอะช้อยฉันสัญญาได้ว่าฉันไม่โกรธไม่น้อยใจไม่เสียใจชัวชีวิตฉันฉันก็ผ่านความทุกข์มาหลายเรื่องแล้ว ฉันเป็นคนอารัพแม่ก็ตายเสียตั้งแต่เด็กมีพ่อก็เหมือนกับไม่มีเวลานี้ก็อยู่ได้ด้วยความอดทนบอกมาเถอะชอยส์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หนักสักแค่ไหนฉันก็เชื่อว่าฉันทนได้พลอยนั้นพูดแต่อย่างแน่ใจตัวเองเพราะขณะนั้นมีได้นึกฝันเลยว่าเรื่องราวที่ชอยส์อิดเอื้อนไม่ยอมบอกนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลอยโดยตรง ไม่ใช่เรื่องของชอยเลยสักนิดและเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของพลอยให้เป็นไปอีกอย่างหนึง่งเมื่อพลอยพูดจบชอยก็นั่งอึดอักอยู่อีกครู่เหมือนกับว่ายังลังเลใจว่าจะทำยังไงดีจะบอกดีไม่บอกดีแต่ในที่สุดชอยก็ตัดสินใจเด็ดขาดหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาฉอดเอ่อ ออกมาจาับกพกนะคะแล้วก็ยื่นให้พลอยพรอยอ่านหนังสือนี้เอาเองก็แล้วกันฉันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไ้ถูกพรอยรับกระดาษมาดูแล้วก็ใจหายวูบมองปรดาดเดียวก็จำได้ว่าตัวหนังสือที่เขียนอยู่บนกระดาษนั้นเป็นลายมือพี่เนื่องลายมือที่พลอยใฝ่ฝันแล้วก็เฝ้าคอยอยู่ทุกวี่ทุกวันนั่นเองถ้าอย่างนั้น เรื่องความทุกข์ร้อนทั้งปวงของช้อยคราวนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพี่เนื่องเป็นแน่แท้พี่เนื่องเป็นอะไรไปพลอยยังไม่กล้ายังไม่กล้ามองดูกระดาษและถึงจะมองดูก็คงอ่านไม่ได้ความเพราะความรู้สึกที่พรุ่งขึ้นมาในหัวใจนั้นทำให้มองตัวหนังสือพร่าไปหมดมือที่จับ ก็เริ่มสั่นไปตามอารมณ์เรื่องอะไรกันช้อยพี่เนื่อเป็นอะไรไปแต่ชอยก็นั่งก้มหน้าอ่านหนังสือของเขาก่อนเถอะพลอยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังพลอยกลั้นใจหันหน้ามองหนังสือใช้ตาเพ่งดูอีกครู่หนึ่งเพื่อให้หนังสือนั้นเป็นตัวขึ้นมาหนังสือนั้น มีข้อความว่าช้อยน้องรักเวลานี้พี่ลาราชการเข้ามาอยู่ที่บ้านกะว่าจะมาอยู่กรุงเทพสักสีห้าวัน พี่คิดถึงชอยมากแต่พี่เข้ามาหาไม่ได้เพราะพี่ไม่มีกำลังใจที่จะมาหาชอยเหมือนเมื่อก่อนพี่จะบอกอะไรให้ชอยทราบสักอย่างหนึง่งแต่ขออย่าให้ชอยตกใจเอะอะไปพี่จะต้องแต่งงานเดือนหน้านี้ที่พี่มากรุงเทพก็เพื่อรับแม่ขึ้นไปจัดการเรื่องนี้ กับทางผู้ใหญ่ของเขาคนที่เป็นพี่สะัยของชอยนั้นเขาชื่อสมบุญอายุยี่สิบอ่อนกว่าพี่เองสามปีหน้าตาก็อย่างนั้นแจ่ว่าสวยก็สวยแต่ก็สวยเพียงแค่ปากน้ำโพซึ่งเป็นบ้านของเขาตั้งแต่พี่ขึ้นมานครสวรรค์ได้ร่วมสองปีนี้ก็ได้พึ่งพาพวกพ้องของเขาตลอดมา แต่แรกแม่เขาเป็นคนรับส่งปิ่นโตให้แล้วก็คุ้นกันเข้าทีละน้อยเขาเอื้อเฟื้ออุปการะแก่พี่มากสำหรับเจ้าตัวเขานั้นดูเหมือนจะรักแล้วก็นับถือพี่เป็นเทวดาก็ว่าได้และเป็นคนที่พยายามจะเอาใจพี่ทุกทางไม่ว่าพี่จะต้องการสิ่งใดเขาก็หาให้และไม่เคยมาเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนแล้วก็ไม่มีปากเสียงพอเขาเป็นเจ๊ก แต่ตายเสียเมื่อสมบูรณ์ยังเด็กแม่เขาชื่อคล้ายได้ทํามาหากินเลี้ยงลูกมาจนโตเดี๋ยวนี้ก็ยังขายข้าวแกงอยู่ในตลาดบอกมาเพียงแค่นี้ช้อยก็คงจะเกลียดที่หน้าพี่เต็มทีแต่พี่ก็เห็นใจช้อยมากถ้าช้อยจะถามพี่ว่ารักผู้หญิงคนนี้หรือไม่พี่เองก็ตอบไม่ถูกใจหนึ่งก็คงจะต้องตอบว่ารัก เพราะเขาเป็นเมียพี่แต่อีกใจหนึ่งก็ต้องบอกว่าไม่รักเพราะเป็นคนชนิดที่พี่ไม่เคยนึกฝันว่าจะได้เป็นเมียแต่ชอยก็ต้องเห็นใจพี่บ้างพี่ต้องมาอยู่ไกลแสนไกลเมื่ออยู่บ้านก็เคยมีพ่อแม่เอาอกเอาใจมาอยู่ห่างพ่อห่างแม่มีคนอื่นเขาเอาใจพี่ก็เคริบเคลิ้มไปกว่าจะรู้ตัวก็ช้าเกินไป ที่จะแก้ไขอะไรได้พี่สงสารสมบูรณ์เขามากในใจจริงพี่ก็ไม่นึกว่าเรื่องราวจะไปไกลถึงเพียงนี้เลยแต่สมบุ์เขาเป็นคนดีจริงๆพี่เองต่างหากที่เป็นคนเห็นแก่ความสนุกสบายเอาแต่ใจตัวจนขาดสติเมื่อพลาดพลั้งไปแล้วพี่ก็ขอก้มหน้ายอมรับกรรมไปทั้งชาติถ้าจะพูดกันไปจริงๆ พี่ก็เป็นคนไม่มีวาสนาได้เสียขนาดนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนที่คอยเอาใจและอยู่ในโอวาททุกอย่างถ้าไปได้เมียที่เสมอกันพี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะเลี้ยงเขาให้มีความสุขได้เพราะช้อยเองก็คงจะรู้ว่าพี่ดีแต่เอาแต่ใจของตัวเองเอาใจคนอื่นไม่เป็นถึงจะรักใครสักเท่าไหร่ก็ไม่รับรองว่าจะทาให้เขามีความสบายใจได้แน่นะ ถ้าพี่ได้มียอย่างสมบุ์ซึ่งเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแล้วก็เป็นคนบ้านนอกเขาก็คงไม่หวังอะไรจากพี่มากนะักนอกจากจะให้เขาเอาได้เลี้ยงดูเขาตามธรรมเนียมพี่คิดดูแล้วก็ดีไปอย่างหนึ่งเพราะมีเมียอย่างนี้ไม่เป็นภาระเรื่องราวทั้งหลายก็สุดแล้วแต่พี่จะเป็นคนว่าเขาก็ตามทุกอย่างขอให้ช้อยเห็นใจพี่ แล้วก็อย่าคิดอะไรให้มากนะสมบูรณ์เป็นคนบ้านนอกก็จริงแต่ก็เป็นคนที่พ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีงานการและการบ้านการเรือนเข้าแข็งทำได้ทุกอย่างส่วนกิริยามารยาทนั้นพอจะหัดกันได้ต่อไปพี่เชื่อว่าช้อยคงจะไม่ขายหน้าเมื่อตอนแรกคุณพ่อก็เอตตโรเอา เอตโลสะลั่นบ้านเลยทีเดียวแม่ก็ร้องไห้ใหญ่พี่กรุ้มใจพี่ลึกแต่พอค่อยพูดจากันไปท่านรู้ความจริงท่านก็รับจะจัดการให้คุณพ่อยังไม่ยอมขึ้นไปอยู่นั่นเองแต่อนุญาตให้แม่ขึ้นไปจัดการกาดกันว่าจะให้ขึ้นไปสู่ของเงียบๆเขาเรียกทองสิบบาทกับเงินอีกสิบช่างเท่านั้นเองก็ไม่มากมายอะไรนะักพอเหมาะ ก, กับเราซึ่งเป็นคนจน ชอยช่วยบอกแม่พลอยเขาด้วยว่าพี่คิดถึงอยู่เสมอแต่ขอให้เขาลืมพี่เสียเถิดชาติก่อนพี่ทาบุญมาเพียงเท่านี้คิดถึงชอยมากๆเนื่องนี่คือจดหมายของพี่เนื่องนะคะพออ่านจบมือที่ถือจดหมายก็หมดเรียวหมดแรง จุดหมายถึงก็ร่วงจากมือลงกับตักเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาทุบศีรษะพลอยอย่างแรงพลอยเงยหน้าทอดสายตามองออกไปนอกห้องโดยที่ไม่มีความหมายความรู้สึกต่างๆหมดสิ้นไปจากตัวครู่หนึ่งได้ยินเสียงช้อยพูดอะไรดังมาเข้าหูเววเววเหมือนกับว่ามีคนมาตะโกนอยู่ไกลแสนไกล พลอยค่อยได้สำนึกตัวรู้สึกเหมือนมีใครมาร้องเรียกในยามหลับพยายามที่จะมองหาตัวเจ้าของเสียงที่เรียกก็หาไม่พบเพราะว่าตาที่มองออกไปนั้นมันพร่าไปหมดมีแสงสว่างพุ่งเข้ามากระทบสายตาอย่างแรงเหมือนกับมีใครมาจุดตะเกียงดวงใหญ่แล้วก็ส่องเข้ามาที่หน้าประสาทตามร่างกายเย็นชาไปทั่วขณะที่นั่งอยู่กับพื้นนั้นก็เหมือนกับว่าตัวลอยอยู่สูง แล้วกำลังร่วงลงมาอย่างชา้าๆตอนนี้พลอยได้ยินเสียงเหมือนใครมากระซิบข้างหูซ้ำๆซ้ำๆว่าพี่เนื่องมีเมียแล้วพี่เนื่องมีเมียแล้วพี่เนื่องมีเมียพี่เนื่องของพลอยซึ่งพลอยเคยคิดว่าสักวันหนึ่งพลอย จะได้ไปปรนิบัติเอาใจพี่เนื่องดูแลพี่เนื่องไปจนตลอดชีวิตแต่เดี๋ยวนี้หน้าที่นั้นได้กลายเป็นของคนอื่นเข้าไปแล้วเขาจะดูแลพี่เนื่องอย่างไรใจเขาจะตรงกับใจพลอยหรือไม่เขาจะรู้หรือว่าพี่เนื่องชอบสิ่งใดและไม่ชอบสิ่งใดพี่เนื่องบอกว่าไม่รักเขาแต่เขาก็เป็นเมียพี่เนื่อง พลอยไม่เคยนึกว่าคนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนั้นจะต้องอาศัยเหตุว่าเป็นเมียแต่เพียงอย่างเดียวพลอยนึกว่ารักกันอย่างเดียวก็พอพี่เนื่องขอให้พลอยลืมพี่เนื่องเสียชาติก่อนพี่เนื่องทำบุญมาแต่เพียงเท่านี้แต่พลอยจะลืมได้อย่างไรกันดับฟืนดับไฟได้ทันทีแต่จะลืมพี่เนื่องนั้นเหมือนกับดับพระอาทิตย์พระจันทร์ใครจะไปทาได้ถึงอยากจะลืม พลอยก็ลืมไม่ได้แต่แรกพลอยตั้งใจไว้ว่าจะส่งข่าวถึงพี่เนื่องให้รีบทำตัวเป็นหลักฐานผู้ใหญ่ท่านจะได้ไว้วางใจไม่นึกรังเกียจเมื่อพี่เนื่องมาขอพลอยแต่พลอยก็เตือนไม่ได้เสียแล้วเพราะไม่มีประโยชน์อะไรพลอยอยากให้พี่เนื่องรู้ว่าพลอยไม่ได้โกรธไม่หึงหวงคือพลอยนี่ก็เป็นคนดีมากนะ ไม่ได้โกรธไม่ได้หึงเพราะเห็นความดีของพี่นื่งที่รับเลี้ยงผู้หญิงที่ผิดพลาดไปพลอยมีแต่ความเห็นใจว่าทุนหัวของพลอยจะต้องรับใช้กรรมไปทั้งชาติพลอยได้แต่เป็นห่วงจนกระทั่งช้อยมาจาับขาพลอยเขย่าแรงๆ แ, แล้วก็เรียกชื่อพลอยดังๆหลายครั้งพลอยจึงสะดุ้งสุดตัวแล้วก็ตื่นจากพวังแม่พลอย ไม่พลอยเป็นอะไรไปนี่ยาดมลองสูตรแรงๆ แ, แล้วก็ทําใจดีๆเข้าไว้พูดแล้วชอยก็เอายาดมเนี่ยมาจ่อที่จมูกแล้วก็ดันเข้ามาจนชิดจนกระทั่งพลอยนี่รู้สึกเจ็บเลยทีเดียวนะคะฉันไม่เป็นอะไรหรอกช้อยพลอยพูดแล้วก็เอามือปัดกล่องยาดมให้ห่างออกไปนึกถึงคําเตือนของชอยที่บอกว่าให้ทําใจดีๆเข้าไว้ ถูกแล้วต้องทำใจดีๆเข้าไว้สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่โกรธไม่น้อยใจไม่เสียใจรับคำช้อยไว้แล้วผิดไม่ได้ต้องทำใจดีๆไว้ฉันไม่เป็นอะไรหรอกช้อยตกใจไปได้ตกใจสิหน้าสีเดงก็จะเป็นลมฉันเห็นพลอยนั่งโงนเงินเหมือนจะล้มกะตกใจถทบสิ้นสติเปล่าไม่เป็นไรหรอก ฉันอ่านหนังสือกลับไปกลับมาเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องดีก็แค่นั้นเองแต่จนเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรกันนะชอยเอาก็พี่เนื่องเขาบอกมาว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวแม่ค้าขายข้าวแกงที่พ่อเป็นเจ๊กยังไงล่ะก็นั่นน่ะสิแต่ทําไมเร็วนะักรอไปหน่อยไม่ได้หรอพลอยพูดเหมือนกับว่า กำลังต่อสู้กับตนเองด้วยความหวังชิ้นสุดท้ายชอยก็ตอบเบาๆว่ามันถึงคราวแล้วละพลอยฉันไปเคี่ยวเข็นให้แม่แกเล่าก่อนที่จะออกจากวังแกบอกว่าผู้หญิงท้องขึ้นมาต้้งสองเดือนแล้วพี่เนืองแกก็รับเลี้ยงดูเพราะสงสารแต่ถึงจะไม่รับทางแม่เขาก็คงจะไปร้องเรียนเจ้าขุนมูลนาย งามหน้าและท่าอย่างนั้นน่ะพลอยใจหายว่าเมื่อได้ยินคําพูดของชอยชอยอย่าไปโกรธพี่เนื่องเลยนะน้ําใจผู้ชายอย่างนี้หายากฉันนับถือจริงๆพรอยพรอยพูดเล่นหรือว่าพรอยพูดจริงกันแน่ฉันพูดจริงๆช้อยพี่เนื่องเป็นคนดีฉันนับถือมาก ถ้าเป็นผู้ชายอื่นเขาก็คงไม่ทำอย่างนี้แต่ถ้าเป็นใจฉันเป็นผู้ชายฉันก็คงจะทำอย่างที่เนื่องเหมือนกันจริงๆนะชอยฉันเห็นใจแล้วก็เข้าใจทุกอย่างชอยงองนั่งทำตาพองโตบองดูพรอยอย่างอัศจรรย์ใจเสียเป็นที่สุดนะคะ ฉันไม่เห็นใจและฉันก็ไม่ยอมเข้าใจหรอกพลอยนี่อย่างหรืออยู่ๆก็ลุกขึ้นมามีเมียแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวฉันเคยพูดกี่ครั้งแล้วว่าพี่เนื่องเป็นคนเหลวแหลกไม่มีสติคราวนี้เห็นหรื อ, อยังละ่ะพลอยคิดถึงใจฉันบ้างนะได้พี่สะพายเป็นลูกคนขายข้าวแกงแล้วทีนี้ฉันจะไปดูหน้าใครเขาได้ถ้ามีใครเขาถามขึ้นมาฉันจะทายังไงชอยสบัดหน้าด้วยความโกรธนะ ฉันก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่นาช้อยถึงเขาจะค้าขายอะไรเขาก็ทำโดยสุจริตเรื่องมาแล้วก็แล้วไปเราจะไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ชอยอย่าคิดมากไปดีกว่าความรู้สึกของพลอยเนี่ยเหมือนกับยังชาอยู่เรื่องที่พี่เนืองไปได้คนอื่นเป็นเมียโดยกระทันหันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่หัวใจของพลอยจะยอมรับเอาไว้ได้ทั้งหมดในช่วงเวลาอันสั้นนะคะ ขณะนี้ความรู้สึกของพลอยเนี่ยยังมึนมึนต๊บมึนต๊บที่จะนึกถึงตัวนะคะความคิดขณะนี้ยังเห็นเป็นเรื่องของพี่เนื่องเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคนอื่นที่ไกลจากตัวรู้อย่างเดียวว่าเรื่องนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ช้อยขัดเคืองและใจของพลอยก็มุ่งแต่จะแก้ไขความขัดเคืองของคนที่ตนรักให้หายไปหวังที่จะปลอบใจช้อยนะคะ ช้อยนั้นได้ยินคำพูดของพลอยก็ยิ่งมองดูพลอยอย่างชงนหนักขึ้นความสงสัยทําให้ช้อยลืมความกโกรธลืมความเสียใจของตนหมดสิน้นสายตาที่มองดูพลอยอย่างอัศจรรย์นั้นเริ่มแสดงความรู้สึกอันเต็มไปด้วยความนับถือและก็เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นทุกทีว่าตายละคนอะไรแฟนตัวเองไปแต่งงานกับคนอื่นไม่มีเศร้าโศกเสียใจแถมมีท่าทีเข้าอกเข้าใจ แล้วก็ยังมาปลอบโยนช้อยซะอีกนะ่พรอยฉันถามอะไรจริงๆสักอย่างได้ไหมอ่ะถามเิอช้อยฉันไม่มีอะไรจะปิดบังหรอกพรอยรักพี่เนื่องหรือเปล่ารักมากแล้วพรอยไม่โกรธไม่เสียใจเลยหรือนี่ ธรรมดาคนเราถ้ารักใครก็ไม่โกรธคนนั้นถ้าโกรธก็แปลว่าไม่รักจริงฉันไม่นึกโกรธเลยมีแต่เห็นใจแล้วก็นับถือนับถือว่าพี่เนื่องทำถูกถ้าจะว่าถึงคนที่เขาจะมาเป็นเมียพี่เนื่องฉันก็เห็นอกเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันพรถ้าเกิดว่าพี่เนื่องไม่รับเลี้ยงดูก็คงจะต้องเสียคนไปตลอดชาติ เป็นเวรเป็นกรรมติดตัวไปเปล่าๆแต่ถ้าหันกลับมาคิดถึงตัวฉันฉันก็เสียใจบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็นั่นแหละฉันก็บอกกับช้อยแล้วว่าในชีวิตของฉันฉันเคยพบความทุกข์มามากถึงในเรื่องพี่เนื่องฉันก็ไม่เคยประมาทเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าวันหนึ่งจะต้องลงเ อ, อยอย่างนี้ช้อยอย่าวิตกเลย เรื่องราวอะไรจะไม่ทําให้ฉันห่างเหินช้อยไปได้หรอกถึงคุณพ่อคุณแม่ของช้อยก็เหมือนกันฉันเคยรักและก็นับถือท่านอย่างไรก็คงจะนับถือต่อไปอย่างนั้นฉันบอกให้ช้อยรู้ไว้เพราะเห็นคุณป้าบอกว่าแม่ฉันบน่นกลัวว่าฉันจะห่างเหินและถึงแม้ว่าตัวพี่เนืองเองฉันก็พร้อมที่จะนับถือต่อไปเหมือนกับพี่ในไส้ ตลอดจนลูกเมียของพี่เนื่องฉันก็จะรักเหมือนญาติสนิทฉันเป็นห่วงกลัวแต่ช้อยจะตีโพยตีพายไปเองทําให้ร้าวฉานกันต่อเปล่าช้อยเชื่อฉันเถิดความทุกข์ในโลกนี้มีอยู่มากพอแล้วไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปต่อเติมให้มากขึ้นอีกช้อยก็มีพี่น้องกันอยู่สองคนเท่านั้นถ้าเป็นใจฉัน ฉันจะรักษาเอาไว้ให้ดีไม่ยอมให้เรื่องราวอะไรต่างๆมาทำให้เป็นอริกันได้นี่คือคำพูดที่เรียกว่าค่อนข้างยาวนะคะของพลอยช้อยก็นั่งฟังอย่างมีสมาธิคือตั้งอกตั้งใจฟังตาก็จับจ้องอยู่ที่หน้าพลอยเหมือนกับว่าพยายามที่จะจดจาทุกคาพูดเมื่อพลอยพูดจบลงชอยก็กล่าวขึ้น ด้วยความตื้นตันแม่พลอยฉันรู้จักรักชอบกับแม่พลอยมาตั้งแต่ยังเด็กฉันรู้มาตลอดว่าแม่พลอยนเป็นคนดีและที่รักแม่พลอยยิ่งกว่าพี่น้องของตัวก็เพราะความดีของแม่พลอยนั่นเองแต่ทั้งนี้ที่ฉันรู้จักความดีของแม่พลอยฉันก็ไม่เคยนึกเลยว่าแม่พลอยจะเป็นคนดีได้ถึงเพียงนี้ที่แม่พลอยพูดมา ทำให้ฉันเปลี่ยนใจไปหมดที่โกรธก็หายที่แค้นใจก็ไม่มีเหลือความดีของแม่พลอยมีมากเกินไปจนฉันพูดไม่ถูกฉันทั้งรักทั้งนับถือแม่พลอยมากกว่าใครๆทั้งสิ้นเฮอฉันไม่มีปัญญาจะพูดอะไรถูกหรอกพลอยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาอย่างนี้ของชอยก็คือก้มลงกราบบนตักของพลอย ด้วยความเคารพนับถืออยากบริสุทธิ์ใจแต่ทันทีที่ช้อยก้มลงกราบที่ตักของพลอยความรู้สึกต่างๆที่สุมอยู่ในหัวใจของพลอยนั้นเปรียบเหมือนกับดินระเบิด ที่อัดแน่นตรับใดที่ยังไม่มีชนวนมาจุดคลอยก็ยังไม่รู้ตัวว่ามีความรู้สึกโธ ม, มนัดมีความรู้สึกผิดหวังที่มันมากมายมหาศาลขนาดไหนพอชอยก้มลงกราบก็เหมือนกับว่ามีคนเอาไฟมาจ่อเขาที่ดินระเบิดความรู้สึกทั้งปวงที่อั้นเอาไว้ก็พรุ่งขึ้นสุดขีด พลยตัวสั่นระริกเหมือนกับถูกทุบหูตาปากจมูกในลําคอและปลายนิ้วมือนิ้วเท้าร้อนเหมือนกับถูกไฟน้ําตาร้อนร้อนพลักออกจากเบ้าตาทั้งสองข้างพลอยประกองประคองตัวช้อยเอาไว้แล้วก็ซบหน้าลงร้องไห้กับบ่าข้างหนึ่งของช้อย เหมือนกับหัวใจสจกาดร้องไห้อย่างที่ไม่เคยร้องมาก่อนคือสุดที่จะกลั้นต่อไปได้นะคะทีนี้พอพลอยกลายเป็นคนทุกข์เป็นคนร้องไห้ด้วยความโทมนัสสุดที่จะอดกลั้นได้ต่อไปช้อยซึ่งกำลังโกรธแค้นก็เลยเปลี่ยนสภาพ มาเป็นผู้ปลอบประโลมเอาใจก็เป็นธรรมชาติของคนเรานะคะเมื่อเห็นใครเขาแย่กว่าเราเราก็จะพยายามดูแลชอยก็คงเป็นแบบนั้นแหะครับเมื่อเห็นพลอยแย่กว่าชอยก็โอบตัวพลอยเข้ามาชิดมือหนึ่งลูบหลังพลอยเบาๆเหมือนกับว่าพลอยนั้นเป็นเด็กเล็กๆ ที่กำลังได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสปากก็พร่ำกระซิบถ้อยคำที่ปลอบประโลมใจอยู่ข้างๆหูจริงๆแล้วชอยก็ไม่ได้ห้ามปรามไม่ให้พลอยไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าชอยก็รู้ดีว่าพิษแห่งโรคในหัวใจนั้นพอจะระบายออกได้บ้างก็ด้วยน้ำตาและเมื่อพิษนั้นได้ถ่ายเทออกมาเสียบ้าง จึงจะถึงเวลาที่จะสมานแผลคือต้องให้มันออกมาสับ้างถ้าเก็บอัดเอาไว้ก็คงจะระเบิดออกมาสักวันใดวันหนึ่งการที่พลอยระเบิดออกมาตอนนี้ก็ก็ถือว่าดีจะได้ไม่ต้องเก็บเอาไว้ข้างในทั้งคู่ก็นั่งร้องไห้อยู่ด้วยกันมิรู้ว่านานเท่าไหร่เวลาก็ล่วงเลยไปพอดึกหน่อยคุณสายก็เข้ามาในห้อง เห็นพลอยกับช้อยยังนั่งอยู่ใกล้ๆกันแสดงอาการว่าร้องไห้มาหยุกหยกและทั้งที่สองคนพยายามที่จะซ่อนเร้นความจริงโดยรีบซับน้ำตาลแล้วก็เรียกว่ากระถดตัวออกห่างจากกันนะคะคุณสายมองรู้แต่ก็ไม่ได้ปริปากว่าอะไรเดินตรงไปที่เช่นหมากหยิบหมากใส่ปากเคี้ยวแล้วก็ถามเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่า พรอยอาบน้ำหรื อ, อยังชอยเป็นผู้ที่ตอบแทนว่ายังค่ะเพราะว่าตอนนั้นพรอยนี่พูดอะไรไม่ออกไปอาบน้ำอาบท่าเสียไปเมื่อกี้ปากขึ้นไปเฝ้าเสด็จเห็นรับสั่งถามถึงพลอยเดี๋ยวอาบน้ำแล้วขึ้นไปเฝ้าเสียหน่อยนะพรอยพลอยไม่ได้โต้ตอบว่าอะไรนะคะ ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าหยิบผ้านุ่งผ้าห่มที่จะเอาไปพลัดแล้วก็ช่วยขันอาบน้ำออกไปนอกห้องพอคล้อยประตูออกมาก็ได้ยินเสียงคุณสายถามช้อยขึ้นว่าบอกพลอยเขาแล้วหรือจากนั้น พรอยก็รีบเดินตรงไปอาบน้ำหลังตัาหนักระหว่างที่นั่งอาบน้ำพลอยก็ปล่อยใจให้ล่องลอยไปยอดปราสาทและก็หลังคาตําหนักต่างๆยังคงโผล่ขึ้นมาจากความมืดเหมือนเช่นที่เคยเป็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสงไฟยังคงสว่างอย่างที่พรอยเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ ลมยามกลางคืนโชยมาวูบหนึ่งภาพกลิ่นดอกราตรีมาจากข้างๆตําตหนักพรอยนั่งอยู่คนเดียวเหยียดแขนซ้ายแล้วก็แขนขวาออกไปข้างหน้ามองดูแขนตัวเองอย่างสนใจแขนก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงร่างกายเนื้อตัวของพรอยก็ยังคงเหมือนเก่าแต่อะไรเล่าที่เปลี่ยนไป แล้วก็ทำให้ทุกๆอย่างที่เคยมีความหมายนั้นหมดความหมายไปสิ้นเหลือไปดูบนตำหนักเห็นไฟยังสว่างอยู่แสดงว่าเสด็จยังไม่เข้าเป็นถรมเดี๋ยวพลอยก็คงจะต้องขึ้นไปเฝ้า ตามที่ป้าสายบอกมาพอนึกถึงเสด็จทุกอย่างที่พังทลายลงเมื่อกี้ก็ดูเหมือนจะกลับมามีระเบียบแล้วก็เข้าสู่ดุลขึ้นมาบ้างเพราะถึงอย่างไรก็ยังมีเสด็จอีกองคหนึ่งที่เป็นหลักในชีวิตของพลอยเป็นที่นับถือบูชาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งหน้าที่ทั้งปวงใครจะมีหน้าที่เป็นอะไรที่ไหนก็ตามทีเสด็จก็ยังคงอยู่และเป็นของพลอย ที่จะต้องแสดงความกระตันยูต่อพระคุณที่เสด็จมีต่อตนหัวใจของพรอยเวลานั้นเหมือนกับนกที่ถูกพายุฝนกระพือให้พลัดจากรางังรวงที่เคยอาศัยพยายามบินไปทางโน้นทางนี้เพื่อหาร่มไม้กิ่งไม้ที่จะเกาะอาศัยได้ต่อไปเสด็จเป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่และเป็นสิ่งที่ถาวร อ, อันเดียวในโลกอันปราศจากความถาวร น, นี้ พลอยอาบน้ำอย่างช้าๆทวงเวลาให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะเห็นหน้าใครอาบน้ำเสร็จก็เข้าไปในห้องเห็นคุณสายนั่งอยู่คนเดียวช้อยนั้นหายหน้าไปเสียแล้วในระหว่างที่พลอยทานน้ำอกประแป้งคุณสายก็พูดขึ้นว่า เมื่อกี้ยหยช้อยชมพลอยเสียราวกับเป็นเทวดาป้ารู้มานานแล้วว่าพลอยของป้าดีเพียงใดป้าเลี้ยงของป้ามาแต่เล็กแต่ถึงอย่างนั้นป้าก็อดดีใจไม่ได้เมื่อได้ยินคนเขาชมแม้แต่เพียงปากหอยปากปูขนาดยหยช้อยป้าก็ยังดีใจอยู่นั่นเองพลอยหันไปยิ้มกับคุณสายหน่อยนึงแล้วก็หวีผมทาน้าอบต่อไป เอาแป้งลงใกล้ๆขอบตาให้หนาหน่อยกลัวว่าเสด็จจะทอดพระเนตรเห็นว่าตาบวมเดี๋ยวขึ้นไปฝ้าเสด็จหน่อยนะพลอยรับสั่งถามถึงตั้งหลายหุนแล้วคืนนี้พลอยก็ขึ้นไปเฝ้านะคะเมื่อไปถึงเสด็จทอดพะเนตรเห็นพลอยก็รับสั่งว่า เออพลอยมาพอดีทีเดียวมาช่วยข้าเลือกทัพทิมเม็ดเล็กๆนี่หน่อยข้าจะให้เขาทำเข็มกลัดข้าเบื่อจริงๆไอ้ผวกเครื่องเพชรเครื่องพลอยนี่ใสที่ไรไม่เคยสบายใจสักทีแต่ครั้นจะไม่ใส่เสียเลยคนก็จะพูดกันไปต่างๆค้อนให้บ้างดินทาให้บ้างไม่รู้เขาเห็นมันดีอย่างไรหิวขึ้นมาเขากินเข้าไปไม่ได้ เอาแขวนตามตัวก็รุงรังหายไปก็ยุ่งในขณะนั้นนะคะพลอยก็ช่วยเสด็จเลือกทับทิมซึ่งเป็นทับทิมเม็ดเล็กๆนะคะโดยการใช้ปักคีบที่เสด็จประทานให้เนี่ยคอยคัดขนาดให้ได้ขนาดเท่ากับทับทิมที่เสด็จส่งเลือกไว้แล้วคือทำงานไป แล้วก็ฟังไปเสด็จก็ทำงานไปแล้วก็รับสั่งไปแต่การรับสั่งของเสด็จวันนี้ก็ดูจะแปลกๆอยู่เหมือนกั น, กนพลอยสังเกตบ้างหรือเปล่าของต่างๆที่คนเขาว่ามีราคานั้นที่มันมีราคาจริงๆก็เพราะว่าปากคนเขาว่าถ้ามีใครที่คนเชื่อถือบอกว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอีกหน่อย คนก็ตามไปหมดพล่อยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเมื่อค่ายังเด็กๆเคยเห็นชาววาังตัดผมสั้นๆถอนไรผมมีผมทัดยาวเกือบถึงบ่าแต่งตัวก็รุงรังเต็มทีใส่ป่าวะลำกำไรเรากับละครลาแต่สมัยนั้นมองเห็นกันเมื่อสวยงามไปหมดเดี๋ยวนี้ทรงผมก็เปลี่ยนเป็นยาวขึ้นผมทัดก็ไม่ปล่อย เรื่องเพชพรพลอยก็แบบนอกมีงานมีการก็ใส่เสื้อแบบฝรั่งคนก็เห็นสวยอีกอย่างเจ้าในายในวังถ้าจะนัดกันเอาตรวนมาแขวนคอก็คงจะมีคนเห็นสวยงามตามไปบ้างกระมังแต่ก็นั่นแหละนะจะเป็นกรวดหรือเป็นเพชรถ้าเราไปนึกรักมันเข้าแล้วหายไปเมื่อไหร่เราก็เสียดายยิ่งรักมากก็ยิ่งเสียดายมาก บางคนถึงกับเสียผู้เสียคนไปก็มีถ้าเราไม่อยากทุกข์มากไม่อยากจะเสียคนก็อย่าไปรักอะไรให้มันมากนะถึงจะรักก็ต้องรู้กำพืชว่ามันเป็นเพชรหรือว่าเป็นกรวดถ้ารู้ราคาจริงๆของมันเสียแล้วถึงมันจะหายไปเราก็คงจะไม่ไปเสียดายมันนะเสด็จเงยพระพักขึ้นมองพลอยซึ่งหมอบก้มหน้าเลือกทับทิมยอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็รับสั่งต่อไปอีกว่าข้าพูดอะไรแล้วก็มันจดจําไว้อย่างไรอย่างไรข้าก็เกิดก่อนเจ้าได้เห็นอะไรต่อมีอะไรมามากถึงจะว่าข้าเป็นคนโบราณก็ช่างเถอะแต่ก็ควรจะรับฟังไว้บ้างเพราะว่าข้าเลี้ยงใครก็อยากให้คนนั้นดี เดดทรงหยุดนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งเหมือนกับจะทรงคิดอะไรอยู่ในพระทยัยแล้วก็ทรงพระสวนเบาๆรับสั่งต่อไปว่าพูดถึงเรื่องเลี้ยงคนให้เป็นคนดีมันก็แปลกอีกเพราะข้าก็ยังไม่เหมือนคนอื่นเขาอยู่นั่นเองอย่างพลอยนี่มีคนเขาพูดกับข้าหลายคนแล้วว่าหน้าตาดีๆ ทำไมข้าไม่ถวายเป็นพนักงานเสียข้าก็ทำหัวเราะเฉยเยเสียอย่างนั้นเรื่องหาบุญวาสนาใส่ตัวนั้นมันทำไม่ยากดอกพรอยเอ้ยใครมีลูกหลานพวพ้องก็หนุนหนุนกันขึ้นไปพอเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาแล้วใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็พรอยเบิกบานมีบุญวาสนาตามถ้าข้าจะทำอย่างคนอื่นเขาบ้างก็คงจะทำได้ อย่างพรอยใครๆก็ทักว่าสวยนิสัยใจคอสกุลรุนชาติของเจ้าก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครถ้าข้าจะยกขึ้นไปบานนี้ก็จะมีบุญไปแล้วก็ไม่รู้แต่ข้าไม่ทามรอกเห็นเสียแล้วข้าเลี้ยงเจ้ามาก็อยากให้เจ้ามีความสุขทั้งเวลานี้แล้วก็เวลาต่อไปข้าไม่เชื่อว่าบุญวาสนาจะทำให้คนมีความสุขได้ และความสุขที่คนอื่นหาให้ก็ไม่เหมือนความสุขที่เจ้าหาเองข้าก็ได้แต่คอยดูให้เจ้าหาความสุขได้ในทางที่ถูกบุญวาสนาต่างๆข้าไม่มีจะให้ถ้าเจ้าอยากได้กับเขาบ้างก็ต้องไปหาเจ้าขุนมูลนายที่ตำหนักอื่นให้ท่านช่วยสนับสนุนแต่ข้าทําไม่เป็นพ่อยก้มลงกราบเสด็จแล้วก็ทูลเบาๆว่า ชาตินี้ทั้งชาติหม่อมชันขอสนองพระเดชพระคุณเสด็จอย่างที่ทำอยู่นี้ก็พอแล้วมันงคะคือสิ่งที่เสด็จพูดถึงนั้นที่บอกว่ามีบุญวาสนาเนี่ยก็หมายถึงการถวายต่อพระเจ้าอยู่หัวถวายตัวนั่นเองนะคะซึ่งถ้าพระองค์โปรดก็อาจจะได้เป็นเจ้าจอมถ้าข้าหลวงตาหนักไหนได้เป็นเจ้าจอมแน่นอนว่าผู้ที่เป็นเจ้านายก็ ยอมได้หน้าได้ตาไปด้วยนะคะในสมัยนั้นเขาไม่ได้พูดกันตรงๆแต่ใช้คำพูดประมาณว่ามีบุญวาสนาซึ่งถ้าเกิดว่าคำพูดนี้เป็นการพูดโดยชาววังนะคะก็คล้ายๆกับเป็นสิ่งที่รู้ๆกัน ในกรณีของพลอยนั้นก็คงจะมีคนมาเชียร์เสด็จอยู่พอสมควรนะคะว่าสวยขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ไ ม, ไม่ไม่ถวายเสด็จก็บอกว่าไม่พอหรอกพลอยข้าก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ค้ำฟ้าไปเมื่อไหร่คงจะต้องตายลงวันหนึ่งเจ้าต้องเตรียมตัวไว้สำหรับเวลาข้างหน้าอีกนาน เพราะเจ้าจะยังต้องอยู่ต่อไปเจ้าควรจะจำไว้ว่าสิ่งใดๆที่เกิดแก่เราทุกวันต้องมีผลในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราทำตัวให้ถูกกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ผลที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็ต้องเป็นผลดีแต่ถ้าเราทำตัวไม่ถูกผลที่จะเกิดต่อไปก็เป็นผลที่ไม่ดีชีวิตคนเราจะว่าไปก็เหมือนกับละคร ตัวละครมีหน้าที่รำไปแต่ปีพาดเขาก็เล่นอยู่อีกค้างหนึ่งเราเป็นละครก็ต้องรำให้ถูกจังหวะถ้าใครรำได้จังหวะจะควรดีก็มีคนชมเฮอขาก็พูดพรามไปคนเดียวตั้งนานอ่ะพลอยคุยไปบ้างวันนี้ไปทำอะไรมา เ่ามังคะจะก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละถามทีไรก็เปล่าทุกทีไปไหนตอนไหนกันมาเจ็ดร้อย่านน้ำพอข้าออกปากถามก็เปล่าเป็นเสียงเดียวกันหมดวันนี้อยู่ที่ตำหนักทั้งวันจริงๆมังคะก่อนแล้วไปคุยกับนางพลอย เหมือนคุยกับอิดกับปูล่าต้องเพอ้อไปคนเดียวทุกทีเรื่องนี้สู้นางช้อยเขาไม่ได้บางทีถามนิดเดียวมันตอบไปตั้งวาอ่ะดูสิอยู่อยู่ลุกขึ้นเล่นไก่พะอลพ่อปู่รำลึกถึงไก่ไก่ก็มาทีเดียวเข้ามาใกล้ๆนี่คุยไปว่าวันนี้ใครไปเย็บปากนางพลอยเสียก็ไม่รู้ช้อยหัวร้อนหน้าบาน แล้วก็คลานเข้ามาหมอบใกล้ๆที่ประทับจากนั้นก็เริ่มคุยถวายทันทีช้อยทุนเริ่มเรื่องว่าวันนี้แม่มาหา ฝพรอยเมื่อได้ยินช้อยพูดก็ขนลุกเพราะไม่อยากให้ช้อยเอาเรื่องพี่เนื่องมาทูลเสด็จทั้งๆที่พลอยเองก็สงสัยนักว่าเสด็จอาจจะทราบเรื่องอยู่แล้วจากคุณสายชาช่างเรื่องใหญ่โตเสียจริงกะอีแม่เข้ามาหาก็ต้องมาคุยอวดมาทําไมใครตายไม่มีใครตายมังคะพี่เนื่องจะมีเรือนช้อยทูลตอบหน้าตาเฉย คอยนั้นตัวเย็นวาบขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินช้อยเอ่ยถึงเรื่องนี้อะไรเด็กเมื่อวันซืนชื่อมีเมียแล้วแม่มันเพิ่งจะพาเข้ามาวิ่งในวังเมื่อเร็วๆนี้นี่เองมีเมียได้แล้วหรือนี่ได้กับใครละ่ะได้กับคนที่นครสวรรค์ชื่อสมบูรณ์มังคะลูกแมคค้าขายข้าวแกงช้อยทูลตอบหน้าตาเฉยเสด็จทรงพระส่วนแล้วก็รับสั่งว่า ก็ดีแล้วนี่ต่อไปจะได้ไม่ต้องอดมีข้าวแกงกินไปจนตายแล้วแม่เจ้าเขาว่าอย่างไรล่ะแม่บอกว่าจะออกไปจัดการสู่ขอให้มังคะจะทำอะไรก็คงไม่ได้เสียแล้วก็สมกันล่ะคนอย่างเจ้าเนื่องพี่ของเจ้าได้เมียแค่นั้น แตดีถมไปแล้วคนอย่างนั้นถ้าจะมาสู่ขอคนของข้าข้าไม่ให้หรอกเสด็จรับสั่งแล้วก็ทอดพระเนตรตรงมายังพลอยทําให้พลอยแน่ใจว่าเสด็จน่าจะทรงทราบเรื่องตลอดและที่ทรงรับสั่งหมายถึงที่ทรงรับสั่งกับชอยให้ชอยเล่าเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เเสด็จต้องการจะช่วยให้พลอยไม่เสียใจจนเกินไปนัก พลอยก็หมอบก้มหน้านิ่งทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็พยายามไม่ได้ยินเรื่องที่ช้อยจะทูลเสด็จต่อไปคืนนั้นเสด็จเข้าบันทมดึกกว่าปกติกว่าพลอยจะกลับลงมาถึงห้องเพื่อหลับนอนก็ใกล้รุ่งเข้าไปแล้วดังนั้นจะเป็นได้ความอ่อนเพลียทั้งกายทั้งใจอย่างไรก็ตามเมื่อพลอยเข้านอนพลอยก็หลับสนิทไปจนสายผิด ก, กับช้อยซึ่งนอนไม่หลับ แล้วก็คอยเฝ้าสังเกตดูว่าพรอยจะแสดงอาการอย่างไรต่อไปวันรุ่งขึ้นพอว่างงานว่างคนพรอยก็เปิดตู้รวบรวมข้าวของที่พี่เนื่องส่งมาให้ทั้งหนังสือเพลงยาวแล้วก็ของต่างๆรวบรวมเข้าไว้ในห่อเดียวกันแล้วก็ซุกเข้าไว้กลนตู้ตั้งใจว่าจะไม่แตะต้องอีก ในใจของพลอยนั้นตั้งใจว่าจะเก็บพี่เนื่องปิดผนึกเอาไว้เช่นเดียวกันถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่นึกถึงแต่พลอยก็รู้ดีนะคะว่าเรื่องของพลอยนั้นรู้กันแพร่หลายไปโดยรวดเรว็วเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นพลอยรู้สึกว่าตัวเป็นเป้าสายตาของผู้คนทั้งหลายในตำหนักใครๆก็มองดูพลอยอย่างสนใจแล้วก็เห็นใจ มีแต่คนพยายามเอาอกเอาใจพลอยเป็นพิเศษอย่างผิดปกตินะคะหลายคนก็ามาชวนพูดชวนคุยเพื่อให้เพลิดเพลินจนพลอยแทบไม่มีเวลาจะนึกถึงเรื่องของตัวได้มากนะักคุณสายเองก็เอาใจพลอยเป็นพิเศษเหมือนกับคนอื่นๆสั่งให้ผาดหาของกินที่รู้ว่าพลอยชอบมาไว้และพอถึงตอนกลางวันก็เปิดหีบหยิบแพรดอกแพรสีออกมาเพื่อให้พลอยเลือกตัดเสือ้อ และก็บอกให้รู้ว่าเสด็จจะตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไปบางปะอินในเดือนหน้าและพลอยเป็นคนหนึ่งที่จะต้องตามเสด็จดังนั้นจึงต้องตระเตรียมเสื้อผ้าที่จะใส่ตามเสด็จเสียแต่เนิ่นเนข่าวเสด็จบางปะอินนับว่ามาถูกกับเวลาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะคนที่จะได้ตามเสด็จไปบางปะอินนั้นหวัวตื่นเต้นมาก ก็พากันตระเตรียมข้าวของเป็นการโกลาผลคือพูดง่ายๆว่าทั้งตื่นเต้นแล้วก็ยุ่งในการตระเตรียมข้าวของคือมีอะไรทํามีอะไรทํามากกว่าปกติแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือกันจริงแทบไม่มีเวลาว่างนะคะในส่วนของพรอยนั้นจริงๆถ้าเป็นในเวลาปกติพรอยก็คงจะตื่นเต้น แต่ตอนนี้ใจคอของพลอยนั้นเหี่ยวแห้งแล้วก็เย็นชาต่อความรู้สึกต่างๆไม่จะยินดียินร้ายต่อสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปในขณะที่ช้อยตื่นเต้นมากและช้อยก็อาศัยความตื่นเต้นของตัวเป็นเครื่องมือชวนพลอยมีให้อยู่นิ่งได้พลอยก็ยอมทําตามคําชักชวนของช้อย วันหนึ่งหนึ่งก็วุ่นอยู่กับการตระเตรียมเครื่องแต่งตัวและก็ของกินซึ่งพลอยเองก็รู้สึกดีใจว่ามีอะไรทําถ้าหากว่าอยู่เฉยๆตามปกติพลอยก็คาดไม่ถูกเหมือนกันว่าความว้าเวในจิตใจของตนนั้นจะมีมากมายสักเพียงใดพลอยได้พบกับแม่ชั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่แม่ชั้นเข้ามาลาคุณสายไปนครสวรรค์ คราวนี้แม่ชันรู้แล้วว่าพลอยรู้เรื่องก็เลยพูดจาถึงเรื่องพี่เนื่องโดยเปิดเผยไม่ปิดบงังและพลอยก็รู้สึกอัศจรรย์ใจตัวเองที่สามารถจะนั่งฟังอยู่ได้เป็นปกติโดยที่ไม่ได้แสดงกิริยาให้เป็นที่ผิดสังเกตแต่อย่างใด